ที่กองวัดศิริธาตุให้เราอยู่ในเรือคือก็รับเงินขึ้นเรือลงเรือขึ้นเรือลงเรือ ที่ที่ท่านแข่งไปการพิจาราอาหารแล้วพี่หลงพาเล่าเรื่องแม่ทีมองไม่ฟังด้วยนะไมนเป็นประโยชน์คือทุกคังที่พ้าจะสางไม่ต้องพิจารณาอาหารหือไม่ให้พิจารณาด้วยความอยียคุณ่ยินดีในลูปผีสั่ในสิงห์รถอาหาร ยนดูว่าเป็นอะหารชนิดน้ำเป็นาหา่มันขวให้พลังนให้แรงความเป็นปฏิกูลโดยพายประกอบเช่นคุณรว่าหาที่เราเคี่ยวอยู่แล้วราคาอาหารเราไม่ก้าตักเข้าไปกินเหรอจะเห็นสภาพของอาหารที่เราเคี่ยวอยู่นั้นออกมาเป็นรูปน้ำเป็นทางน้ำแต่เวลาที่มันมีในเพื่อในการอยู่ในน้ำลายจะไหล แต่พอเราเข้าไปเชลือคุกของน้ำลายแล้วแล้วเราคายเร า, าใส่ใจแล้วเราจะตักเข้าไปใส่ปากได้การมีมรความต่อได้เดความอย่ากมันจะเกิดทํ็ลายการเกิดการองเกียจขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยให้ให้ภาพนี้คิดอยู่ในในจเึื่ไม่ต้องคาอยออกมาเแต่ที่ เ, บบเวลาที่เราตัดลายเราทำในใจแล้ว มันคุบมันทุกเที่ยวทุกบุบผสมกันเมือไหรกยากแล้วเมันเนอ่ไรแล้วมันเข้าไปอยู่ในทองมันจะเรียอาทุกชนิดที่เรารับประทานมันต้องไปรวมไปอยู่ในทงแต่ก่อนที่จะไปรวมนี้เราแยกจากมั้เสอางาหรหวานต้องแยกกันนะผลไม้ต้องแยกกันเป็นส่วนๆถ้าเรามาถ้าผลไม้เป็นแบบไมแก้นอย่างก็ไม่ตีละเพราะมันมัน มไม่เป็นของมาแล้วเป็นของข่าวเราจะการที่เป็นนาแบบนี้เพื่อที่จะทำให้มีมีความรู้สึกบางสิ่งบางขยะขยะว่าเพื่อที่จะมาทำลายความหลงในรูปในสีสันของอาหารถ้าไม่ที่เป็นนาแล้วเราจะ เราจะติดรับรสชาติของอาหานิดของอาหารเรต้องกินอาหารแบบ น, นีน้ต้องกินอาหาราแบบ น, น, นีแต่ถ้า เ, าเป็นข้าวในเวลาด่วนแล้วมดเลือกเวลาอาหารที่จะของนี้แลแต่ยอดเดือนจะวายแลวถ้าเราไปอยู่ที่ตันดานที่เขายากจนก็จะหารยู่งในเดือนในรีบลักษณะที่เราก็ไม่ค่อยชอบรับประทา น, น เราก็ต้อสุดขัด้นใ้ได้าการสุดขัด้นก็อย่างตอนที่บวชใหม่ก็คิดว่าอาหารทุกอย่าที่เราจะทานนี้มันจะต้องไป ร, มรวมกันอยู่ในทองเราก็ห้มันรวกันอยู่ในบาทเรื่อยไป่าเื่ออาหารที่ได้มาในบาทเราก็เอามาคุกมามาขย่อมมามาคนให้มันเป็นอาหารจานเดียวกัน ของขาวของหวานผลมม่งผลลม้งามหยดไข่ทองแกงเขวหวานแกงจืดอะไรยที่ใส่ลงในข้าแล้วก็คลุกไปเลยเหมือนจะคุกให้ข้าให้หมากินแต่เาเราเลี้ยงเล้ยงหมาแล้วก็จะทำยังไงเรามีอะไรกระต่ายปลาเก็เราก็ถานมัไปมันรสชาติมันก็ไม่มันก็ดีเพรมันมันเป็เดียวมีเปี้ยวมาเปี้ยวหวานมันเค็มเพื่อให้คนหมดกลัว ถ้าภาษาอยากมี้น้วน้ำยามจิตใจยังไม่ก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่จะได้มาดังะะนั้นเาถ้าเราเบื่อห น, น่ายมนเียงแค่ น, น, นั่งอยู่ปาแถวแล้วเป็นอาหารที่เราชอบ อ, อยู่ปลายแถวพอมาถึงปลายแถวเรามีแต่ถาดแต่าจานเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความท้อแท้แบวนั้นแต่ถ้าเราอย่าไปมองสิ่งที่มันมาไม่ถึงเราลับมองดอูแต่เพราะของที่มันมาตั้งอยู่ที่ข้างหน้าเรา วลาจะสบายในนี่ก็คือเป็นวิธีที่จะชพื่อให้การทานอาหานี่ไม่มีปัญหาไม่สร้างปัาให้กบเาการานนี้อบางไม่ก็จะเป็นการนักสักกันคือพฤตกรณมแบบสบายสบายก็คือเวลาได้หานาฬิกาก็จะอาจจะแยกไว้เป็นส่วนๆข้าไว้ด้านหนึ่งกับข้าไว้ด้านหนึ่งมโนนาได้หนึ่ง เห็นของหวานที่มัมนเป็นน้ำก็อาจจะถ้ามีช่วยในใจก็คือมัเจะาจจะใส่วางไว้ที่สาบาทน้ำมาจะใส่ไว้ที่สาวบาทก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าชั้นแบบสบาสบายถ้าชันแบบติดกระดาษมันขึ้นมาก็คือิึ้นเลื่อนลงก็คือว่าอาหารที่ใส่ไปในแบบเพื่อนไม่ไปแย่ไปแย่ใส่ตรงไหนก็ได้ถ้าไปใส่ก็ใส่จับก็ใส่ก็ใส่เป็นน้ำมาก็ใส่ก็ใจของหวานก็ใส่ก็ใส่ ไม่ต้องไปจันนดนะใ้มันเดือดยังไงก็วด้แล้วมะจากที่สามก็จะต้องมีย า, ยานที่จะนิสัยเป็นระดับแล้วก็ต้องเป็นในย่านเลยอ่ะอะไรกีเพื่อเป็นการกำลังทีเพราะว่นถ้ามันใ้เรามันจะมีปัญหาเรื่องคารขามขายไม่ลงบ้างอยากขถยแล้วไม่ได้ํายเปสิ่งที่จะแบ่งไมยเ่จะทาให้เกิด อ, อาการท้อแท้ในทาง เวลนันขึ้นมาในเครื่องของของนักเดินไแต่ถ้าเราเสริมคินตามมีการเสริมก็เห็นว่าอาหารจะดีขนาดไหนจะเร็วขนาดนมันก็เป็นอาหารมั น, มนก็ทำหนา้าที่เหมือนกันี้อมันรับปราทานไดแล้วมันไม่ทำให้เราจ็บไข้ได้เกรับประทานได้แล้วละ น, น้ำแบบทำผิวได้อันนี้ก็เห็นว่าได้นะ ทัานเพื่อ ย, ไอ ย, อยไไูไม่ได้ทานเพื่อก่อนเกลื่ไม่ได้ไม่ได้หาความสุดจากการทาแประทานวัานไม่เหมือนทาน ว, ว่ายาเดินไปไหนวัตรทานนี้จะที่เป็นทานสดอย่างแล้วก็ถัแล้วก็วเก่งกันแบบแบบไม่รับไม่นานาะแต่ว่าเวลาเก่งเราเก่งก็เรื่องมากต้องหาที่เกิงเลยต้องขับรถไปไกลเพื่อจะหาร่างหนาที่ติ ป, ปากตอ เสียเวลาเรื่องต่าแต่เพื่อการน้ำมันที่กับรถนงกายนั่งคนจะปฏิบัติน่งจานมือนกับรถยนต์รถยนต์นี่มันจอดตั้งไหนมันก็เปลี่ยนได้ตั้งจาดาวตั้งจาเสียตั้งานอะไรก็มันก็เป็นน้ำมันเหมือนกันมันก็มาแต่งกลมจานเดียวกันอาหารที่เรารับประทานมันก็มาจากรลาดที่เดียวกันแต่ตอมันมราจานน่าต่างๆแล้วมันวิธีจัดการของเขาต่างกัน วิธีผสมปะตายวิธี่งของแต่งต่างกันก็เลยให้มีสต่ามีรสมีชาต่างัแต่เรื่องการทาหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้ให้มีให้มีพลังให้มีเชื้อเพลิงมันก็เหมือนกันที่นี้มีมีเรื่องมีวัคซีนมีวัคีก็ทราบว่าอาารวัคซนของทีตางหรือไปย่นทีางมเะ่าวคซีนตนนี้ ต้งาพิจารณาเรื่องความเป็นปฏิปของอาหารทุกครั้งนี่พิจารณาแบบไม่ยับยัง้งพิจารณาตลอดเวลาโดยเฉพางต่อความเดือดร้อของอาหารอาหารี้าาร่ลงพอมองเห็นอาหารนหนาที่แม้จะอยู่ในจารแต่มันก็เป็นเมนินเหมือนอยู่ในตะเคีละดูไม่ได้อาหาดูก็ได้ ร, รับปด้ทานไมนลงรวมั้กากับเครื่องของ ก็เลยไปไปศึกษาแบบิจยเกยกับธาตุวิจัยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเยท่านก็เพศ่อแก้ให้หรืให้พิจารณาให้เห็นว่าอาหารที่รประทายรู้ก็เป็นธาตุสิ่งที่มาจากดวงใจรดางกายรู้ก็มาจากดวงใจร่างกาก็มาจากอาหารหรืเปล่าผู้ที่พิจารณาและได้กินอาหารที่พพิจารณี้ถูกต้อใจเป็นใจเป็นผู่ จากการอาหารเขาในร่างกายท่นั้งเองเหมือน ก, กับเราจ่ายน้ำมันคนขับรถไม่ได้กินน้ำมันคนขับรถ ก, ก็เพีก็แต่ขับไปแล้วก็ไปรับน้ามันจะใส่ขัง้นเกียวน้ำมันจะเป็นมีห่อไหลแล้วก็เป็นน้ำมันเหือกันอาหารก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นธาตุสิบดวงใน่างกายอาหารก็เป็นธาตุสิบน่างกายมันก็เป็นการจตาย่าตุเทนั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจเลย กลายเป็นเพีแต่เป็นผู้จัดการดูแลร่างกายในขณนีก็เป็นวิธีแก้ถ้าเราพิจารณาโดยเถตดไปนทางการพิจารณาทางด้านจริญา น, นี้ก็เปเหมือนกับการรับประ า, านยาเพื่อรักษาโรคของตัวใจโรคใจก็คือทางโรคปัสสวทางเหนื่อยเ น, น, น้อในรสชาติาาน้ก็เป็นทา ง, งเป็นทางโลกก็ต้องเอาปฏิปูณพิจารณาโดยาดทาไม่เหมือนน ของอาหารข้างหน้าเลดของอาหารหนาี่ยยนะนะที่จะได้ไปได้ทานทานทานดีๆอาหารนี่จะได้ไมรับสาน่ากล็เกลดอจะรับอิ่มเ้านก็จะได้หยุดได้มีม่คอการการการปฏิบัติถ้าเราให้ยาหน้เกล็ดไปก็โดยเดือดไปก็ทที่จะเป็นคุณก็เป็นโทษได้ ยาอันนี้ก็มีว่าเพื่อแก้ปัญหาปัญหาก็คือความดีดในรูปในรสในกลิ่นในสีสันของอาหารก็จะต้องอาหารที่เรารับประทานจะต้องเป็นชนิดนัน้นชนิตนี้แต่ความจงนั้นมันก็มีรสอยู่สีชนข้างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นหลักจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารทีนอาหารไทยอาหารจ้วก็เปรี้ยวหวานมันเค็ม เรากระทาหน้าที่เหมือนกันก็คือให้พลางกับร่างกายถ้าเราพิจารณามากเกินไปเหมือนกินยาเกินขนาดแต่ก็ทาให้เกิดอาการแพ้เปานอะ่รแพยาคือกินเข้าไม่ลงพิจารณาประบัติมากเกินไปแต่กินไม่ลงก็ต้องหยุดพิจารณาถ้าถึงทั้นนั้นเราก็ต้องหยุดนะต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่าเป็นการเติมการดีน้ำมีไฟให้กับจ่างก เื่องกลับมาพิจรณาความเสียงงานของมันเพื่อมาแก้แล้วหนึ่ีก็ได้บางทีหมดเลยเฉเฉก็ต้อง้อนกับมากลับไปหยุดยงสมัยที่เราติดในรูปในวัในสีสันมันก็ย้อกับมาเพืพิจาราทาปฏิัติสัญญาที่เราเคยฝึกกันาด้วยการการการปฏิบัติกวต้องคือก็ต้องมีคุบานอาจารย์ที่ท่านมีประสบการ เพราะบางทีเราไปเจอปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้เพราะาเราเราทำโดยเถิดเขเรียกว่าไม่มักพิจาาเนี่ยไม่ไม่อยู่ทางสายาถ้าไม่พิจารณาเล ย, ยเก็ยอนไปไปพอเนอาหารปอนนั้นลายหลายอย่างที่กิ่ยเนี้ยหย่อมไปไปแต่ถ้าพิจารณาเหน็นแต่สินทั้งจริงใม้ลงเมันก็มันก็ขึนนน้นขึ้นไปพาะให้เขาดีือ ให้มันเห็นอาหารเราคุกแต่วเปทนการเจริญอาารใกับว่าการตรงนี้อาหาจะเป็นชนิดไหนก็ได้ไแค่สิ่งข่าไปนั้นเองก็จะแก้ปัญหาเรื่องเรงาหารได้เมื่อแก้ไล้ต่อไปเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้อ ง, ไ, องไปกงวล่กับเนื้ออาหารต่อไปเมื่ตอนเริ่มต้นนี้อาจจะต้องคุกอาหารไปก่อนเพื่อที่จะได้จัดความอยากในอาหารช น, นิดนั้นชนิดนี้ บางทีอยากจะกินบะหมี่บางทีอยากจะกินุิซ่าทีนี้มันทั้งบะหมี่และพิซซ้าก็ปอยมันเขาไปในเดียวกันต่อไปนี้ก็ไม่มีทิกซ้ามนไม่มีบะหมีวมันจะมีแต่อาหารยู่ในบาทุกครั้งกินกินทีนี้กินข้ามก็จะมีอาหารตรงนี้อยู่ตลอดแต่ท่งมันเลืได้ชนิดขออาหารชนินั้นชนต่อไป แลจากนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปคุกมันไได้แล้วก็เราก็อยู่เฉยๆใครถวายอะไรมาล้วก็เราก็กินแต่ในนี้ตับเจขาพู่เพราะว่ามันมันมันไม่เป็นปัญหาต่อตอนเจ็บของเน้านีก็กินไม่มีก็ไม่เคยเปไ ป, ไปขวัญตัวหนเรื่งของอาหารนี่มันก็มีหลายวิธีแต่ว่าถ้ามาขนาคุกมลัดร่งมันฟาดเย็มนมาทีแล้วก็ยัง อที่กินอาหารทานนีาไม่มีเลยทีนี้ท่านเลยไอยู่ที่รักษาต่างเขอดอาหารไปมองอาหาร้ักษาไว้มีรู้่กหารอขาเพราะมันคิดกันก็ไม่ได้กินนแล้วอดไปเรื่ออดไปเ่อยๆเ็ไม่ได้อดทุกวันบางทีอดแค่สามวันแค่ห้าวันได้ ราดูพัสดาร์กลางวันย็นวันฉันมี้ันตรงนี้ม่ส่ทำมาหรือเปล่าของเตียงของฐานเตียงถ้าไม่ทานอาหารนี่มันมันเสื่อมดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ดูใส่ก็ใั่ไม่มีใส่ก็อยู่ได้ที่รงนี้จะมีป่ะือเราเราอดอาหากันให้ตายแล้วกเพะมันไม่เสียแลยยังไงก็เลยมันจะร้องขึ้นฐานเตียงกระเพาะมันไม่เสียเลยกไม่จะรู้กระเพาะเลย ถ้ามันมีขอบมีผงก็ไม่เป็นไรอย่ขเพิ่งรให้ญท่านว่าคุณท่านผิดนะเพราะ่าบางทีอดนานท่านอาจจะอเคี้ยวิดวันทิดค่าแล้วรักษาแล้ว่นนั้นแค่ทรงเดียวต้องกับมาออแต่ถ้าวอร์ท่านท่านแบบว่าทานอะไรเข้าไปตอนเช้าหรือตอนตอนบ่ายๆต้องสารุนสารรุนอย่างนี้แต่ถ่าวอร์เสียรางกายกแได้ทางผิดวิต่างที่เราคุมค่าต่อไปรื่อย เวลาเราทำลายจะขอให้เรานุ่งตาที่ตยเป็นแบบเสยใจ่อลาถ้าเป็นการน่าเสี่ยงจากการน่าพาเป็นสลัดของใจราการนุ่งตากี่ยวความโลกคามโกรความความอยาต่างๆอนี้เสียไปเกิดเมื่อางกายรกวันเดียวมันก็ต้องตรยใจมันไม่เสีมันไม่มันไม่ถูกทำลายไปและเมื่อใจยังไม่ได้ว่าการกบเครื่ยงกดต่อให้เป็นเป็ภาพมันก็ยังจะเป็นภาพ ตายไทานี้จะเกิดขาตหน้าก็ยังเป็นชาติต่อเป็นคนาตต่อแต่ถ้าเรายอสละพาร่างตาย น, นี้มาเป็นเรื่อพันมาเป็นต้นทุนยามใช้ร่างตาย น, นี้ดบบปฏบิมันจะเป็นจาปายลอยจะลำบากอยาไรก็ใช้มั น, นส่ดูเรียนไเพื่อให้ได้ําลาความโลกความกรความหัวใจ อ, อยู่ใิองรันนี้เราจะได้กําหนักาใเราเปนที่เป็นา วัติบนี้ทํามจริงหรืว่าก็เพื่อมาทานทานประโยช น, น์นี้นั่นเองในการเรามีรถยนต์ก็เรียกว่าโฟวีลต้องลำบไปบวกในผ่าในเขาแต่ปัญญาแล้วกลับขับกันในบ้านในเมืองไม่ต้องขือรถโฟวีลขับในบ้านในเมืองขับไ้เทั้งมันก็เพลินไม่ไปปีนองส์ปีนเขาถนนก็ไม่ถูกขับเทาไหรมันก็นลองไปดูวยนเขาด้วยขึ้นไปที่นไปไม่มีถนนอย่างี้แล้วเขามีเข า, ามีว่าอย่างนั้น ร่างายของเราก็แบบห น, น, น้าีางกาของเราเป็นโปรตีนสาหรับมันมีกับกิเลนมุขกับทำโลกความโกรธาหลงแต่เรากลับไปใช้รับใช้มันทีอย่างไปรับใช้ทำโลกควก า, ามโกรธความหญแล้วเรามันจได้อะรเพแต่มาแต่แถาถ้าไม่ได้อะรก็ยังต ก, งงกเป็นทาสทางจิตในตัคนรับใช้ทางจีตก็กต้องอาศัยที่เราได้มาเจ อ, อก้กกกนนอพิจารณาอะองเ้เราเรียนรู้ หน้าที่ที่เราถืคร่างการขอาคือว่ามีไว้ทำอะไรคืว่าเพมาปกป้องความเป็นอิสภาพให้กับจิตใจนั่นเองจิตใจขอราที่ตอนนี้เป็นอย่างภาพเนี่ยมันอยู่ภายใ้อนของความโลภความโกรธความเาทุกขณะที่เราหายใจนี่ทำทภายใต้อนาของความเหมือนใจอิชาอิชาปเิยาสังขาร ในในถ้าบอวาอริชภาพเป็นตัวปั่นท่องสังขาที่พอคิดมัจะคิดอะไรเมื่อคิดลงเนี่ยเมื่อราบเร่องแต่ว่าแสงสุขสองเนี่ยวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีวันนี้จะตปหาเงินที่ไหนดีมันจะคิดว่าวันนี้จะไปหาธรรมะและวปติบหลักธรรมะกันถ้าจะไม่มีเลยพวกเราก็จจะมีบ้างเพราะว่าพวกเราได้มาฝันฝันนะได้มาตัวธรรมะธรรมะธรระพันจะไ้ทีนี้เมื่อคิดไปในทางวิชาปฏิยาสัญญาวิชาพระภูธรมะปฏิยาสังญา อาศัยคำสอนสองบุคคลาอาจารย์ที่เราได้ยิในได้สารนึงเป็นตัวคอยกระตุ้นใจมาให้คิดอะไรกันในทางเดินทางของเรือย่างวันนี้เราก็คิดว่าลองพยายามทำดูกั น, กนถ้าเป็คนคงอื่นถ้าไม่จอจัมผัสจับจางนาในวันนี้วันหยุดเขาลองาวงนปเที่ยวกันนะเพราะวันนีเนว่นหยุดเาจะเที่ยวหาลายวิวจะไปกินให้หลายวิวตารเรื่องประเ็นหนังในู่่นนั่นก็เรื่องของวิชาปฏิยาฝังขาเราเอง เองัดมันฟังแล้วมันก็จะออกไปเป็นปัญหาการแยกล้วก็มก็จะพาไปจิตกลางคันมดูก็เป็นภาวะนึดมึดพบเป็นธาตุเมื่อพอถึงเวลาร่างกายนิจการใจจิตมันยังไม่หยุดอวิชชาการฌานฐานานมันก็ส่งให้ปูให้ไปเกิดกแต่ถ้าเราปฏิบัติใช้ธรรมะปฏิปฏปญญาสังขารละต่อไปมันก็จะไปบอกปัหาหรจะไปบอกอุปทาน ยันมันก็จะไปอย่างภาวะถูกพัก่ามันก็จะไม่มีการไปไหนเลยคนที่ปฏิบัติธรรมจิตใจในการศึกษาก็ไม่ต้องหาเพื่ออะไรแล้วอยู่บ้านเฉยๆก็มีทางสุดด่อยู่วัดแค่นี้วัดไม่ได้ออกไปทะเอาะหาทางศึกษานองจากมีคณะทำเป็นเช่นไปเผยแผ่ธรรมะไปสอนไปสอนคนงถ้เป็นจะออกไปแต่จะออกไปมืนกับเพื่อนเราเลยไม่ได้ออกเลย เวลาที่อยู่บ้านก็เสริมวานวลาแถ่งันเ้ืนวาต้องเคลียร์าเรื่องทำแล้วก็ไปไหนไปหนอยู่บ้านแล้วมันอึดอัดหนักหงุดเงิถ้าท่าที่ไม่มีอะไรจะสบายทาออกไปอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ต้องแตน้แต่งตัวให้หนักท้องนั่ห้องข่าวสะดวกไม่ต้องไปเข้าแถวไปย่างไปอาขอาหารก็มีเก็ในตู้เยน้ทําตียในบ้านก็สบายแต่ต้องออกไปนิ่งนหาหาควาสุขภในบ้านกัน ก็อยู่ในบ้านกม่ได้ใจมีอยากจะเห็นม้อตัดตัดในมัอยากจ่ได้ยินเสียงตัดตัดในมันอยู่เรื่ยเพราะมันอยู่ภา <Buddhism> ้อาของความโลความโกความยางนี้ถ้าเป็นว่าเป็นอริยารัาก็ออกจาการฐานแล้วก็ออกไปทางอริยพนะในทางชาหุยเป็นหนึ่งทางสตรู้เฉยงวัตถุตกชั้นพระไปถึงการสังขารของของทั้งสองส่นี้แล้วเราไปประเลือกทนาย พอได้ออกจากแล้วเป็นยังแฮปไปี้ใช่คือทางสุดเมื่องครชอบไปเราไปดูหลังมาไปกินและไปเที่ยวแล้วกอจอดอุปทานทร่ปนันต้องออกไปเรื่อยๆออกทะเ้เมื่อวันนี้ก็ต้องออกไปอีกเป็นภาวะภาวะที่จะต้องทำแบบแต่ะวะ่าทริปนี้ไปเทียเ่ยวที่ห่างๆแต่ว่าขึินห่างก็กไปเที่ยวที่อื่นต่อก็ไปนี้ไปเรื่อยๆเป็นทานแก็องอย่ต้องไปนี้วัง แล้วพอตายตายตายแล้วก็ไปแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ไปทำเรื่องตัวอย่างนี้น อ, ยนอย่างคนไัรถะอ่งนี้แต่ถ้าเราใช้ธรรมะมาเป็นตัวขัเคลื่ยนสัยขาสะธรรมะปฏยาอริชาธรรมะปฏิย า, า, า, า, ยาสังขาระมันก็จะสอนให้ปัญหาที่สงบลหนักไ้ที่นี้ไปที่นี้ต้องมีมเรื่องเสียงเรื่องวัถุนะครับที่จะทําให้เกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้ขน ไม่ไปอยู่วัดไปอยูความเขาเลยไม่ไปให้ไปดูย่างวามเธอไม่ไปไหวระเสียรติบุญไม่ไปวามเทศธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ไปไม่ไปนั่งทำจิตให้สงบคือเธอธรรมะปัจยาสงขาแ้วพาไปอยู่การ์ีเรื่องการป่ากลางเขาหรือวัดที่มีปัญหที่แตกต่าของคนเพียงยามตะวงนทิพย์ยามนิรันดร์ เพื่อตัดปัญหามอยากื่อตัดอุปาทานคนิยมถึงมเตัดภาวะกุศที่จะตามมาต่อไปมีธรรมะตะกยาาเราจะลอยู่เรื่องทคือธรรม่ธรรมะะมรงมากกว่าอริยธรเพื่อจะทำลายอริยธรให้หมดตออิกก็กลายเป็นจิตที่บรร ที่ทังนี้มันเป็นคำทั้งยุ่งเป็นคำทั้งๆกลายเป็นคำเลี้ยงไม่มีประโยชน์อะไรอีเลยคิดอะไรก็จะคิดแต่เรื่องของธรรมะที่เป็นเรื่องของเหื่อนเรื่องของเถน้าอยู่ที่ที่ละเอียดจมีอถุงแบบชอบของวงทางไม่มียจะคิดลเอยาดจะไปเป็นถือชอบพัก็คบถือิปเป็นสังขราชนร้อไ่เป็นอะไรทั้งสิ้นมันจะไม่มีประโใชน์เลยก่อนเวาคิดละเอียดะติดเชื่อู่ มนก็เป็นปเรื่องอนี้แ่ามีความเจแต่ความเจ็จต่คามยมันจะไม่มีคิดอยู่ในจเยเพราะในใจนั้นมันมีแต่ความจแความเจ็บอยู่นะถ้าไม่มีความโลกความกรความหลงนะมันก็ไม่มีตัวที่มีารความสุควาหนเพราะไม่มีความอยากมันจะเป็นงไอยู่ที่บ้านสบายอยู่ที่วัดสบายยที่สุดไม่จาเป็นี่คือ เรื่องของการใช้พลังงนมากดเครื่องใช้ร่างกายของเราให้เต็มเตลื้ออ่าอย่าใช้ร่างกายเป็นทาสของเคื่องเรื่องการขับรดไปหาแถวเชิงซึ่ที่นี่ที่นี่อหารที่นี่ไม่ดีอาหาที่นี่ไม่ดีเรกควรศึกษานั่งบินไปกินอาหรที่ห้องกงยากเลี่ยนตอชเช้าเนี่ยนเรื่องไปเพราะอวิชชาตฏิยาสังขารเาหายไป ก็าเป็นธรรมะประัชญาทางศาสนาได้อยู่ที่บ้านทอดไข่เจียวจริงถึงเสร็จก็ได้นั่งสมาธิป่ะนั่งช้าเก็บเงินปฏิบัติทำถ้าเราทาอยู่จริงอยู่ในบ้านไม่เป็นไรปฏิบัติแ ต, แต่ไม่ได้ทำเองก็ไปร้าน้านอาหารทำง่ายรับาึก่มที่เจียวชานกินข้าวผัดไทยนี้นก็อยู่นเงินก็ ไ, ได้ถ้าแต่เ้าเสร็าก็นั่งสมาธิ กับสมาธิเท่า็ั้นนะเดินอย่างตรงตรงางตรงรก็มีเพีายามีส ต, ติอยู่กับตัตวตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรให้สติอยปัจจุบันให้อยู่กับการเครื่อนไหวของใจของร่างกายย่า ง, ง, า ง, างากจจะเข้างานก็อยู่ที่ัานใจฟันดูอยู่ตรงนั้นจะทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นนะครับ แลาเป็นเด่นเป็นคนกคิดว่ากงานกรตแกเกิดการเปธรรมดาเาสมว่าต้องแ่ต้องเกิดต้องตายในเรื่องธรรมดาทุกาเ็เรื่และต่อไปมันก็จะไม่มีความยุตกจบกัาแก่ามเติดความตาเพราะมันเห็นว่าเป็นคนธรรมดานตเราไม่ยุตกกับการขึ้นขึ้นขึ้นการขึ้นภาพขี้าพเกิดใภาพขึ้นเพราะเราร่อเป็นเรื่องธรรมดา ร่างกาเไม่ได้ไปดูออกมีใจเวลาท่าที่ขึ้นหรือการตกแล้วก็ไม่ได้ดูเกียวกับใจเวลาที่มันตกหรอเปล่ามันก็เป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ใจรับรู้ร่างกายก็เป็นเหตุการณ์อย่หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใจรับร้ต่างกันบางทีว่าใจจะยึดจิตอ่านใจว่าเป็นตัววางทั้งหลายเพรความหลงหลอกขั้นสุดที่นั้นเองถ้าเราเจ้ตรงนี้ได้แล้วร่างกายมันก็จะเป็นเหมือนพระทิดหนือพระที่ขึ้นท่าที่ตกใจมันก็ถือถึงร่างกาย จะเป็นจะตายจนี้ก็เเยหมนกันพระจ้ายังไม่ได้ไปยึตเพราะป็นตัวเราอย่แล้วนีเป็นส่วที่เราต้องพยายามฝึกสตัวเราเอนเอาวร่างกายที่เราเป็นเหมือนเป็นยืน้ายรม่เป็นการเกี่ยนมนยืนย้ายมใเป็นการตัวกันเข้ามาแล้จะเป็นการแยกออกมไม่มีที่นไม่มีอที่มันจะรวมตัวกันแล้วอยู่ไปได้ตลอด แต่ก็ทั้งสาราหลังนี้ก็เชื่อมต่อกันเปนเบาเชืกันเอกั น, นแล้วทุกวันห่งมันก็จะเปลลงไปมันก็จะปุีมันก็จ ะ, จะยากสาราหันี้ก็จะแขถ้าถ้าไม่ไมปยึดไปติดมันก็ไม่รู้เสียออกเสียกยันแต่ถ้าไปยึดไปติดมันนี่ก็จะเสียออกเสียจังเนี่ยพูดถึงตาราก็มีเรื่องยึดติให้ฟังอีก า, าหลัง น, นี้สร้างมาตีประมาณ จะพบวันที่ที่นั้นมีทก็อาจารย์่ก็คน้างคอนเทน์ทังเรเป็นหัวหน้าก็ะี่ย่างแล้วถ้าเกว่าเงานี้เป็นที่นขนาดนาดดีๆานกเลยฝากปหาที่จะขึ้นมาทาที่ปฏิบัติแต่ตอนนี้ว่าเส็นเด็จแล้วก็กรมียาติโยมที่เขามีบ้านเก่ากรณีบ้านมีไม้กระด อ, อ, น, น, อ น, นท่านทว ก็เลยชวนยดโยนแบบพวกไม้ต่างๆนี่สิ่นึฉะนั้นก็ไม่มีถนนสิ่งหน่นเป็นทางโทางต่ก็ต้าแบไม้มเป็นระวางรางวดินเพื่อมาสร้างศาลาอย่างนี้แต่พอสร้างเสร็จได้ไมู่กเอก็เป็นเด็การพิลาต้องไเศษไม้เหลือเป็นศาอย่างนี้ผมนาทำทำที่พวกหนุ่มหนุ่นที่ก็ติดใจมาเขาไปเห็นว่ามีศาลาอย่างนี้มันน่หผมก็เกลียดเลย ก็เยเราจะขอรื้อละข้างใ่นี่ป้าาวบ้านที่อ็มาช่วยสร้างเสรจ้วถ้ารื้อล้วไม่ส่บาาัพราะ็นเด็กสร้สางก็ยังไต้องรือไม่ต้อกเลยเกมาใสถงเป็นจกักรวาอย่าง น, <c oughs> นี้ก็มีกมสวนได้สดงนะไแล้วเปดกานตะวันก็มาแล้วหนูตาก็มยก็เป็น เป็นเป็นตลาที่มีความมุ่คนุ่อยู่มากต้องปูกค่อนทางของการทางรลนและทางธรรมก็ได้มาก็เลยมาขามามีคนจะมาขออ้างหลายต่างหลายไทยประวัต้างเรื่องได้เดี๋ยวเนนิ่งก้าวขึนจะตอนหลังชาวบ้านเขาบอกม่เป็นอะไรหรอจะจะรู้ยงกัมนี้ได้หรอเขาไม่ว่าอะไรแต่ตอนนั้นมีเสือทาวนิสก์แาเข้าจะแบบมากันึ้มา วันดับวันบนแล้วข้างมาไ จ, จะเขียนไม่จีบเองก็จะจะไปรื้อของข้างเขียนแ้วข้างก็คือถ้าเป็นเรื่องของจาราพ อ, อนไทยไปยกกึดติตแล้วมีจีบเนีย่ยเป็นปัญหาตึงา้งงานมัเองแต่ว่าถ้าไม่ยึดจิตอาฆายันเรื่องรื้อสร้างใหมยย่ก็กดีแค่ผู้ชายทำจริงนะก็ เ, เขาจะสร้างของชาววังให้ดีเลยทำน่าจะดีกดถ้าเป็นว่าเดิมนี้ยเขาจะดีกว่ะ เราเราลิปต็อปหรอกแล้วสร้างเป็นเป็ น, ปนตึกให้อยูาอา่นี่มันจะดีใจเลยนะที่าานี้ชาวบ้านเขายึดจิกับพนี้ตจิตที่ต้องลบากลำเดินตะเกียกตะการมาสร้างกันก็ตะนั่งเงีไม่มีอะไรเลย่เี้เป็นป่อย่างนี้ต้องมาขัางป่าใช่แล้วคืนแรกไม่ก็ท่ า, างท่งทงานมาปรับกดีคนเดียวก่อนท่านมามาปวดทางก่อนไม่ต้องจะเล่า ว, ว่าคืนแรกท่านก่อนท่านนัาสมาธิก็จะมี ชายร่างใหญ่ๆบำๆโผล่ขึ้มาหรือแมงกระบนงานจะไล่ท่านไปท่านก็ บ, บอาากว่าท่านไม่ได้มาขัดไล่แต่ถึงการท่านไม่ได้มารีเรื่องอะไรต่างๆท่ามาลงทุนาาการันท์นรหาคามสงความความายความที่อกวเขาก็มาช่วยอะไราก็เดินอยู่ตรงแล้วเป็นที่สามเขก็เขาก็มาอาทิตย์ีท่า น, นมาจากที่วัดสามที่มีมนาที่ เขาบอกว่าถ้าต้องมาแต่นี้ก็มาได้แล้เขาก็ว่าเขาก็เข า, เขาจะขัดขัดแล้วพระพระหนึ่งเขาก็ ข, า ข, า ข, าขึ้นมาอยู่กันแต่ก็แปลกนะมียังคนมาอยู่แล้วก็อยู่ ไ, ได้ด้วยอยู่แล้วบอกเจออะไรไหมครับอยู่เกอในโลกเกิดเลยใช่ไหมเมื่อเมื่อวันปีหนาก็มีพระละว่ามีขออยู่ก็ อ, อ ย, ออยู่อยู่ได้คือก็เจอเหนึ่งไป แต่ก็มาติดใจจะทำอะไรก็หมดตอไม่เวลานก็ไม่กลาให้เขาไปขพรไม่ยากเลยเขาเป็นญาติี่ตาเขาเขาไม่ทาอะไรหอกเขาก็จะขอเขาก็จะอยู่เยนแต่อตอตกเย็นก็ไม่กล้าอยู่เาถ้าใครขึ้นมาแล้วตั้งใจปฏิบัติก็ไม่ น, านา่าจะมีปัญหาแต่ถ้ามาแล้วติดใจไม่สงบ จิตใจชิกมากบางจะอาจจะบางอาจจะเป็นอุปทานก็ได้นะอันนี้เราไม่มยืนยันเท่านั้นว่านนเขนเป็นเท็จเท็จอย่างไรเป็นแบบเป็นข้าจะเปิดเผยล่าให้สังคนนึงที่ได้อยู่ได้นังมาแต่เราไม่ยมีอะไรเราก็แบบเหมือนฟังหัวง่ตาบอดอยู่อย่ตังยี่สิบปีแล้วก็ไม่เคยทำอะไ ร, ไ, รไม่เคยมีทางมาทักเรามาเชื่มากระหน่ำอะไรไม่เอานะไ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ไคยทำเลยวันเดียวเลยนะก็ถึงไหนทำงานนี่เราจะไม่ทำเลยวันเดียวมันขายมัเก็บเไม่ได้ช้างอะไร เ, ยเยไไไไไไลยมาอยู่คนต้องเลี้ยงอยู่ไปแต่ถึงก็แต่แล้วพอมีความจำเป็นอยากจะได้อะไรเงินก็มาคือข้างหน้าที่มาเนี่ยจะไม่มีทางเดินที่เปนปืนเป็เงิจะเป็นทางเป็นเป็นเงินแต่ เ, เวลาหน้าฝนนี่เงินมันไม่มาล แล้วก็เมือนการาข้าวใยือนี่จะติดเป็นหาบติดลงลแล้วก็ใารลอลกเหยือ่อมาจากว่หน้าเกิดหลัเล น, นี่แหะความจริงคืออะไรแล้แม่นายก็มีคนมาคุยถามว่าท่านน้ำตาอะไรวกนี้ตอนตอนนั้นก็อยากจะอยากสติความใชนั้นะสติความอยู่ไหมอะไรนงะ้ยแต่ปติมันพอเพียงอยู่แต่สิ่งที่มันขาดก็คือทางเดิานีนะ่นะทางเดินที่มันบั มันจะกลายเป็นร่องน้ำาป็นทางน้ำเป็นถนนทางกนพื้นที่ระาดของฝนน้ำเยอะจะเดินลำบากแล้วก็บางทีารเนรท่านลงลงกับชาวมืเดินลำบากมากก็เลยอยากจะอยากจะทําทางเดินคุณเป็นทางทิรเป็นทิเขาก็เลยว่าท่านไปทงานาไรแล้วท่านไหล่ปแลกัน พอเราบืกอเราทํางนดูอนเท่าั้นเทาั้นเาก็ก็ทุกมาให้เราแล้วก็หายไปเลยมาของเดียแล้วก็หาไปไม่รู้จักก็รู้จักแล้นแต่แต่เขาอบว่าพอดีเท่านั้นเขามาตรวจตอนนั้นยังอยพอดียังอยู่ตอนน้นยุคก่าๆทุกๆกัน่ไม่ใช่ไม่ใช่หรืออย่างพวกใครน่าก็เหมือนกันเวลาที่เขาส้างประตูนี้คนที่สร้าง ก็ไม่รู้ว่าความเป็นอยู่ที่ทา ง, งาน้ำก็จะสร้างปุ๋ยเแล้วก็จะมีทา ง, งาน้ำตั้งอยู่ปายเดที่เรากตว่าปลายเรืนี่มัาานจะไม่ปล่อยชยแล้วก็พอลบยกระดัว่าม่าจะมีทักษะบางอย่างทหลังหนึ่งก็พอลบยกระดับได้แล้วก็กวาาวมี้ซนทุ่งนาทุ่าสว่างกักนเป็นทุกสิส่งมีมทุกสิงเกิดเกิดทุกส่ง พอแกตอมันเวลาถ้าจัดแบบรถตันรถอื่นดังๆเลยมันจัดเราไม่เพราเราไม่อยากที่จเสี่ยงมันมันว่วายมันเลี่ยนมาอยังมันไปทำลายการปฏิบัติอะไร่ทำลายทาวขึ้นพรเวลาทานี้มันต้องมีการติดต่อกับคนที่ทำนี้แล้วบางทีก็ไม่ได้ดังการ้เขาาพูดอย่างแล้วก็ทำมียากก็ทำนี่เสร็จเสียทำนี่เสร็จ คนคนเรื่องาวโลกเนี่ยเขาอยากจะได้งานเขาก็รับปากก่อนมาตาได้พองเวลาเขาก็ไม่มเร็จเาะมัปัหากเขเลม่อยอยากจะทาเรื่องทางยาร่เส็จเจ้าดีเขาก็มาดเาว่ามาสร้างสหรือเจ้าดีพขาสร้างสิบปขึ้นมาดีแต่เขาสร้างสิบปก็อ่ะสร้างสิบปวันนี้สร้างสร้างได้เล ไปอยากจะสร้างที่ตัวปกติมันพออยู่แล้วพอดีสาลาที่สำนักสาระมันเองท่นทุกคมันเป็นม้อย่นเี้ยอ่คาางนี้ถตวสร้างเป็นอย่างที่ไย็นแล้วแล้วก็แล้วแต่การให้เขาก็เนี่ยไปเจอไปเจอคนท ก็เลยพวกเราก็เลยขึ้นมาเลยจ้าแล้วก <inaudible> ็กลายนกโตกขึ้นมาขึ้นอยู่แบบนี้นะครับเช้าอยู่บน้าวบน้าแล้วก็เดินลง้าเลยลงมาชำระทางนอนได้พรสวดหนวันจะเดินรักษาเช้าเสร็จแต่พอตอนดึกๆแล้วก็เดินลงไป แล้วก็ไปไหว้พระฝนเงนตอนตีห้าที่โบสาาบบถ์เสร็จแล้วก็ยืนระดาษยืนาระาเปิดพระฉายาลัยก็ไม่มีพรไม่ให้ไปทอาหารที่เกิดมาถวาเยเนยอาหารที่ได้มาจากยืนกระดาษแล้วก็นั่งอยู่ต้แถวของพระโบสถนะแล้วก็ล้างบางตรให้โตไมให้เขห็นย่างให้แล้วก็เสาาร็จแล้วก็เดินขึ้น มันก็มาแล้วครับพอบ่ายประมาณสีโมงก็เดินลงไปเดินลไปเพทนดมประมาณหกโมงันลายลสีโมงขึ <that> ้นเกิแ <Yes>, so ้แล้วก <that> ็ทำดินไประมาณช่วงๆก็เดงินประมาณสองช่วงๆแท้ายเดี๋วตื่เกอร์เดี๋ยวตื่นข้าวกลางาไม่ไปทําอย่างเี้ยเลนนี้เพราะว่า้างบนเขานี้ถว่าเราตื่นดีเรือยแล้ว ย่ควรที่จะไปเรีมนการทำามติดโยงกันเพรา ะ, ะตั้งแต่เราบาวชมาทีเราก็อยู่ที่วัดาางๆแล้วเราก็ไม่มีกิจการที่จะมาเรียว่าทาสรอพให้ถือการภาวนาเป็นการบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการทละแม้ว่าจะรวมกันก็ทำละแต่เพื่ที่หลวตปูะุมเทานั้นเองมาล้วท่าน้บ ง, งการให้พระมาม า, มาเรียนกันให้ทำการให้แยกให้ติทีเย ไปต่างไปต่างภาวนาไปต่างกันสองวันทปต่างข้ า, า, างขั้นดินไปที่จุดอื่นไหนมีบางท้าอยู่สาคู่ในโบสถ์นะและ้วเวลาจะไปก็ต้องตอนองเท้ากันแล้วอยคู่เดียวแล้เวาคุยก็ต้องแบบไม่มีเสียงเพราล่นล่ลมาจากจากักติก แเราไม่เคยตายนะฮะจงานได้ทนล่งค่ะเพราะเราเราไม่ใส่เราก็ไม่ไม่ชอบไปไปกูไปเนี่ยอยู่ที่สติในตลอดเวลาั้่นานนานมิตละเป็นเป็นจริงว่าเที่เป็น่าก็นก็จะพูดถึงื่เรที่อยานี้มีความให้ยังทำยัิวัตรเนอยู่ต่ือึนต่อต่อต่อต่อเขาจะาทเป็นาให้เรา้ ตอนนี้ไม่ช hum ่นน้นเราก็จะไม่เป็นจะไปละลายจะทําที <è S 1> <aime> ่เราไม่ไปทําจิตเป็นที่สาราเจ็ที่ตลากลับมาเขี่นที่จิตไม่อยู่ในาที่หที่มีทาเป็นมงคลนต่าก็เป็นงนีี้่ตัวตงเรียนนจะเกิดแสอสุางเวลาบางทีมันติดตงไหนแล้วมันไม่งไปยี่ห้อไปเขาติดตรงไหนมันน่งมอนกันน้ที่มันนึ่ง พอเราไปพ <tim ans> ู่ไปคู่ไปคู <niet> ่ไปนี้เหมือนกระถางน้ำเหมืนกระเพื่อนเพราัน้ำกระเพื่อนในจิตมันก็ไม่่เลยก็ไม่มันก็ไม่สิดเช้ไม่ติดถ้ามันเกี่ยวกัดาเนี่ยเพราะว่ายอจากการทาจิตในสมัยแล้วยังมีงานทำทำอย่างเช่นงานแิดงปวาการิดปัญญาการจทุกข์ภายนตัวในร่างกายในองใจคิดปัญญาเอ เห็นว่าร่างกาเป็นของไม่คืนขาจแฉลายแห็นว่าร่างกาเป็นตะกุกตเป็นตับอักเสบเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่ดีมันมีข้งอยู่ภายใต้ผิวหนางองเรา่างกายเรานีผลิตของออกมาตัอย่างไม่มีแต่ของเสียเ้นเข้าห้องนกับอุจจระมีมข้้คอน้หัข้าอยู่เรื่อยๆไี่ไล มีพฤติกรรเป็นปฏิควรที่เราไม่พิจรารณาเพ่เราก็จะไม่เห็นเราก็จะเหล่ในนิสิต ข, ของนานทางของคนนั้นคนนี้อยากมีการอยากมีสานิอยามน่ห์อยากีน่จอะไรแต่ก็พิจรารณาองค์การเป็นปฏิควรเหมือนควนมเปนอคติผิดนิสัยนานมันก็จะมันก็จะกายเปาหมือนี่แต่ยึดแะ่ความกระดุยยึดแต่ความก็ดีในแต่าหนึ้นกรนดุยๆแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่ง สวยวันนี้เราวันนี้เดี๋ยวไม่กี่วันก็เริ่มแก่ผมก็ขาวหนังก็เดือดเราไม่ใ้ากันเลยก็ต้องก็ต้องจ่ายเป็นต่าก็มีแต่ความทุกตลอดเลยความสุขที่ได้ก็เป็นไม่่นงน้อยึงอกเพราะว่าเราเป็นใจพอลมันออกแอไม่สามารถอยู่ต่นทางไดต้องคุ้มคนนั้นต้อง้นส่นี้อยู่แล้วก็ต้างรด็ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนน้ทุกข์กับสนี้ไม่คุ้มค่ากันเลยก็พิจวรณาด้วยนทียน ถราเวลาบวกหายถึหน้าที่พระ อ, อนนุปการต่อให้พิจารณาก็คือร่างกยายเนี่ยท่นานพิจารณาีศาลมานักขาบาารตัวโจเพฤติการมห้าอย่างเราเรียกว่าธรรมฐานจยึดาความรู้เบื้องต้นที่พระบวชหมว่าเรียนรู้ก่อนถ้ารูจารใดไม่สอนธรรมฐานเ น, นี่ีท่านถูกปาเอาไหนท่าไม่ทำหน้าที่ของอุปการที่ถเร เ้อาการพิจารณาร่างกายเป็นการปกป้องจิตาจเป็นการทำจัดเรื่องตอบรู้กับยาฆ่าัญหาทำยินดีเมตตาพระที่อยู่ไม่ได้ตังบวชแลอยู่ไม่ได้กังเพราะไม่ได้พิจารณากรรมฐานถ้ารู้อาการฐางจิตใงรู้อริยภานี้นะพออยู่ไปแล้วไม่ได้พิจารณาหรืพอม่เห็นแล้ก็เฉยง่ายไปหมดเ้งานไปหมด ของคลิกคิกม <instructions. S 2> no. ีเสวยมึนร้อนขึ้นมาใหญ่ข้าวเลยร้อนใหญ่อยู่ไม่ได้ติดใปมึนน้อยก็ต้องราสิดหาแต่ถ้าได้ย่อนพิจารณาตั้งแต่รายงานตั้งแต่รังบุกเนีายนาการนี้มีอาการหอย่างในเบื้องต้นมีผมมีผมมีเลกอีกันช่องนร่างกายพิจารณาไปทั้งอารมณ์กับวิญญาณให้ไหลขึ้นารให้ไหบติดอยู่านใ ลแล้วกายมันก็จะทุกขกัาตัวายอนีั้นก็อยากจะดูใต้ผนังว่ามีอะไรบ้างถ้าทีมีเอ็มีเอนีกมีเือมีอวัะต่างมีหัวใจมีบมีปอดมีลำสมีเยื่อในสมองนี่รือสิ่งีต้องทุกข์ันการ้มันต้องใช้เวลามากแลต้องอาศัยความวิเวกมาก ถ้าไปยื่งเกี่ยวกับใครปัมันจะขึ้งานเองมาตกแทนทีเลยพอเราพิจารณี้พอเราเออกไปทากุ๊บครับนี่มันคือแค่จะไม่มีเวลาได้พิจารณาเฉพาะจุดประเด็นนี้เวามันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันอยู่ต่างหน้าลนะเพราจะจากว่าถ้าปุ๊เราท <c oughs> จริงะเราเราเร า, เรามีความสามารในการพิจารณาว่าเราก็เลาสามารถพิจารณาไปควบคู่กับการทากุ๊ปทำทำปุวัดได้ เป็นตัดกวาดใจแล้วยังพิจารณาดูอาการหายดีไมด้หรื่ออาจจะไม่ได้พิจรณาสาดิต่ออาการกด้เราประดับเราครอบอาการใดๆหนึ่งเป็นพระรูปหนึ่งท่านท่านประดับอาการพิจารณาโคงกระดุกท่านมองไปไหนก็จะเห็นแบบโคงกระดุกท่านไม่เห็นหน้าตาคนมองมาที่ลายมันจะลองไปใต้ผีหนังเป็นโคกระดุกเมืองสรางขณะท่านท่านนล่าอยู่พิเศว่ามีคนต้องยื่งตามหาคนมา พ่ก็มาถามมาเห็นคนเพรา ะ, ะนั้นถา ม, มาอางน้พ่ไม่เห็นมีตะทวนกระดูกนี่ไป <c oughs> ไม่เห็นเพื่อเห็นตะโคนกระดูกไปนี่คือการพิจารณาเพื่อี่วยแจารแจการความรู้เขาเกวาการละสัคขารเวลาพะปัหาความยืนยันในใ่างในภาพจำนำยืนนในรูปของผู้อื่นอย่างที่ได้มาเป็นคู่ครองขอครนนับพิจารณาดีนะครับลองได้อาจารย์ดูเยอาจารยกประก แล้วร้นนสึกก็จะต่อวางได้แต่วางได้นี่จะหมดหมดไต่อเงลเรนะื่องของร่างกายก็บมดกันร่างกายนี้จะไม่มีปัญหากับจิตวงนั้นต่อจะไม่หลงยึดจิตกับร่างกายไม่ตล่อยยของผู้อืนน่นวงในใจนักวิชัยต้งกาื่องคาปยไม่มี้วงมั น, นแค่ธาตจิตที่ว่ามีไฟไม่มีตัวไม่มีคนมีต้องใช้เวล า, าต้องใช้เวลา ต้งใช้ความเฉลียวฉาดเสีไม่มีเรื่องราวต่างๆมาก า, าลบหลุจคนที่พิจารณาจะมีท่านหัวบางทีเดินเดินป็นลมป็นลวันเลยก็ที่หัวเดินถึงาเท้าแตกใ น, นหลัตางาเปนดคนัาเท้าแตกขององค์ท่านอย่างพิจารณาไม่หลับไม่นอน่านตาตาบอดตาเสียวเย้องตัดตสินใจ เพราะเวลาที่จะมาขันมาว่ามันของมันหนุนแล้วมันต้ยไปเหมืนกัเป็นเป็นี้เดิพเราดันตขนมันลงเขาได้เมันเขาเล่อนอย่างไม่มีเตมันจะหยุดก็ต่อเมื่อปัญหาที่เราพิจารณาเราเข้าใจว่ามันกลบวันวานแล้วอะไรต่อมเนี่ยแล้วมันก็หยุดพิจารณาว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะาต่อไป มนปติบูรของอาหารเลยแล้วมันแ่มันหมดปัญหาไปแล้วก็ไม่ไปคิดันอนเลยไม่ต้องไปคิดกาหารจริงนะกินไงก็ได้อาศก า, กา ร, นการหนือยการเมื่อก่อนลางแล้วไม่มีความจริง น, นมันก็ไม่ต้องมีคิดจะนอนนะเราให้มันจะอยู่ไปอยู่ยเหงื่อไหลงานถนัดน้อยมันก็จะไมตมีผลพลังไม่มีอาจาร์เไม่มีผอาจาร ย, ยมันต้องป่อยจากการคิดจะนอน ก็มาใช้สมาธิเป็นเนที่คับเราเมื่อเราพิจารณาไปเข้าใยามหนึจิตนี้ก็นสงแล้วมันก็จะเป็นหนก็มีถ้าเราใช้อยู่เรื่องมันก็จะที่การพิจารณามันก็จะไม่มันก็จะไม่เห็นชัดเจนมันจะไม่แยกขาก็จะมาหยุดพักหยุดัในสาธิถ้าเราทจิตใจให้สถ้าเราเคยทาจิตให้สงบเพื่อโตแล้วก็พุโตรพุโตรไปจตสงบเรื่อยนาน้าเราก็ปล่อยให้มันเรื่อยไป เปนโยกับการพักผ่อนหลังงานกินอาหารแล้วจิตได้พักผ่อนที่นั้นก็จะผอนหลมาเอพอพอเมาแล้วเราก็กลับไปพิจารณาแล้วก็จะเห็นรัชขึ้นทัชใจดีขึ้นต่อีปเลื่อยการจะเดินปัญาว่านะที่เป็นของที่ขาดกันไม่ได้ต้องสลับกันทำเหมือนกับการเดินต้องใช้ทั้งสองเท้าทั้งขาและเท้ากับขกัน้าวถ้ามีเท้าเดียวันก็ไปลบาก ตองยันข้าเดียวเลยเปนเลยแลก็ต้องกระโดกไปทีละาวทีล้าวแต่ถ้ามีการข้ามันจะได้มาเลยถ้าทาสมาธิอย่างเดียวไม่เจอปัญญาเลยมันก็จะผัดสิ่งอื่นไม่ได้ลางคนอยาจะกดสิ่อนกดดันไม่ให้ีกิดในขณะอาจาวันที่จิตสงบแต่พอจิตเราจสมาธิรับสิ่งอมันก็จะออกมาทำงานอย่เดมันจะไม่มีไม่มีตัาที่เลยเวลาที่ แต่ถ้าจะเล่นปัญญาเลียนนริมาิจะรลไปยังมันก็ไม่มีทางี่จะที่จะปัดกันได้รู้ว่ารู้ว่าัไม่ดีรู้ว่ามนไม่เสือแต่พเห็นของสินเข้าไปันก็นยังอยากได้อย่างนี้นคนเดือดร้ายรู้ว่ามนไม่ดีทุกคดงั้นก็รว่าเือนทษกินเข้าไปแล้วก็นอนสิ่งนี้นแล้วทำให้สุขภาพร่างกาเนี่ย่ แต่พอถึงเห็นกวเล่าแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันต้องต้องหยุดมันระเบิดผมว่าแต่ถ้ามีสมาธิแล้วฝึกเรื่องม น, ม, ม, นมันมีความอ่นในตัวมันมันก็จะไม่หยุดับมันเพียงแต่ว่ามันยังไม่คาคมังไม่ใส่วัานธรรมอะไความอยากได้เพรันถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ระวังไม่เดิยนยาวเดี๋ยวความอยากมันก็จะทาากไปหาสิ่งอ่นได้โดยเพาทะทจมาด้วยตัวยาน การที่าะปัญานี้เป็นการถอนรากขอนโคนของเกศถ้องเกศเที่ยวว่าสมาธิเหมือนกับถินทับหญกเวลาถึงนจะทับหญ้แล้วมีหญ้ามันก็จะไม่งอกขึ้นมาพอเอายกถึ่ออกมาไม่กี่วันเดียวญ้ามันก็งอกขึ้นมาไปังขึ้นมาเพรไม่ดถอนรากขอนโคนแต่ถ้าเราขอรากของโคนขอนหญ้าแล้วเราไม่ได้เราไม่ไอกถึ่นไปทับมันก็น่าเมื่อมไม่มีรากมันจะกิดเจริญขึ้นมาได้อย่าง ปัญญาของ น, นายกิเลสก็เหมือนกันถ้ามาสถูกขอหน้าของควด้วยปัญญามันจะมันจะมันจะโผ่ขึ้นมาได้นะหนาของของกิเลสคืออรก็คือความหลงนั้นเอความเห็นติดกิเลสอันไม่เห็นอันนิจจ์ทุกข์ธรรมะตานนเห็นว่าเป็นที่เป็นอันิจจ์ว่าเป็นนิจจ์เห็นว่าสิ่งที่ไม่เชื่อเป็นควาเชื่อเห็นว่าสิไม่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เพราสิ่ที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นอื่นๆมี่้องจะมาให้เห็น่ามันตรไม่เที่ยงไม่ทุกข์ไม่มีวยตัวก็จะได้เป็นการทงานตามางเมื่อมันไม่มีความเหยแล้วความรู้กก็ไม่มีเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เราได้มานี้จะต้องให้ความพิจาามีใครยากจะได้้นะรู้ว่าได้มาแล้วต้องเสียไปแต่ละไม่พิาแล้เชื่อด้านมาแล้วไปอยู่กเราไปตลอดการสิ่กับเราไปตลอด ้าเป็นของเราไปตลอดแต่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมเ็นไมาเดี๋ก็ถผอเพราะขโมยใส่้าโมยเข้าแ ย, ยาา่งใส่บ้านใช้จะมาล้อมหดล้อมห้ ก, ก็ตด้วกันดรืถ้ายังไม่ถูกย่ง น, นไม่ถูกขมโมยไปขณะอยู่ก็มีความกป็นวลนะจะถูกเมื่อไหร่ไม่รู้อย่ง้หนอย่งเงี้ยจะก็กเมื่อังร่ต ก, ตก็ไม่รู้ไม่ขึ้นหล้วไม่ได้เที่ยงขึ้นด้ก็ลงได้ กินอะไรเชื่องเี๋ยวกคลืนอยูเรื่แล้วมันก็กินไม่ได้มันไม่อยากกินแล้วพอมาตกก็เระหูกกระี่ไปแล้วบวชกันไหนเลยชื่องที่ทมาตกใ <c oughs> หญ่นะใเลยว้ยตายเิโอ้โดนด่ากันหลเนี่ย ต้องตั้งรูปขึ้นหรือบางคนนี่มันเกิดเป็นนิัที่มาจากทำสมาธิไปได้ทั้งสองอย่าง่ถ้าเร่อนี้ไม่ท่านไม่เรื่ี้เราก็ต้องเราก็ต้องยมขึ้นมาลาต้องดูการถารดก่อนะมางกไปดูตากนงานสดกันนะาการที่จะอยู่ในงานก็ไปตรวจสดให้คี่บ้านของท่านทุกคีสานี่อะไรขาขอสดเขาไม่มีโรงโรงนาำเขาไปโรงกระดาษรเอ ก็จะเดินเข้าไปเป็นไม้ทาเป็นกอดไม้แล้วก็กระดาษฝาโอ่มีไฟมลอะไรแบบ้เวลาไปเผาเ็ราะาก็จะประจับตันมังกรไว้เหแล้วเันแล้วเอาไมาของเขากอบทำไว้แล้เวลาเวลาไปลาตายเขาจะมีเจ้าดีมีจ้ดีขึงมาแล้วก็ไปทิ้งนาเดินไปแล้วก็ไมา เราถ้าเราไม่ทราบให้เเราก็ต้องไปดูของจริของจริงแล้วก็เอาเาคิดเอาเรามาเจรากันอยู่เร่อยมในใจของเาบางส่วนเหมือนร่างกายเราก็มันจะอย่างนี้ข อ, เ, อ, อเดียวนี้ถ้าไหนท่มันมีมะใ้เราตรวจโดยได้นี<ๆ>่นนเราจะไปไปไปที่ร่างวังเาก็มีาามที่ิำคัญเขาเอาบบบางมีเวล้ก็จะ้อี่ว่าเป็นหงื่ออประมาณนี้น เรื่องาทีก็ไปดูค่ะข้าดเกิดขึ่ในรยาบาลสิลงแรกอ่รงบต่าัานักขาท่าเรียน ว, ดดนนนวนนกรรน็ไปดูขาวกันในเว็บไซต์ต่างๆก็ไปดูแต่เมืมันต้องระดับของผู้ที่มีความคิดมีปัญญาว่าถ้าคนไม่รู้เรื่องไปปดีต้กาเข้าเดะ้งมพราะมั น, น, ม น, มนปัญญาข่มาแล้ว มันต้องแบบว่าคนที่ต้องการะละนะนต้องการที่จะเทงแต่ไอยากไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองนะนไะทฮคนที่ น, นักบกนะวชเนี่จะมีประโยชน์แต่ถ้าที่เพื่อนเพื่อนปฏิบัติในแบบนี้ก็เน่ยอาจจะไม่าะพราะว่าคนที่ารทาจิตให้เ็ยปก่อนนับเวลาแค่จบการศึกาา ในห้าจ yup. <s bio> <ylum> ิตเนี่ยแน่นอนในทางผลผลคุณค่าของการเจริญปัญญาว่ามันมีคุณค่าเพื่อการเพื่อรักษาให้จิตใจสงบถนัดใาก่อนโลกความยินดีต่างๆไา้แล้วเมื่อเาเห็นปัญหาแล้วว่าเวลาที่มีมีความกำลังยนดีโนางที่นนทา่วให้ิจิตใจมีเพื่อเป็นสก็อยากจะทําจากร แตถึงตอนนั้นอาจจะหมดอาการที่จะอที่พายดูอาการงเพราะธรรม ะ, ม น, ะนี่แต่ะทนันถ้าไปใช้จิตท่านึน่งก็มันก็อาจจะทำให้เสียเสียได้ออาากะะ็อาจจะตบะแกอาจจะติแการจจะเป็นบ้าไปเลยมรออาจาะอาจาะหมดสรัทธาไปเพราะไปไปใช้ยาที่มันแรง่อที่ที่ตัวเอจะรับได้ ผงไม่อย the ู่ในทางที the so ่จะต้องใช้นั้นเพื่ออยากจะจบการงานในเบื้องต้นกทานความเงินามทองให้ได้เให้ลดภาระในการยึดตดนสมบัติครอบครอเงินทองให้ได้แล้วก็แล้วขอสิงให้ได้แล้วจะทำสิ่งให้เป็นให้จนทได้กาม มันจะเป็นยังไงก็ได้เพราะนัการานญ์แต่ละคำนี่มันแทนคำนี้เหมืนกันว่มันอาจจะมองยุ่งๆสมัยก็คือสมัยที่ทีียังขาวดำอ่ดัคือมันยังไงก็ได้คล้ายมันตับตัดทีเดียได้ก็ใช้ได ในที anyway, ่ so so ้อาจจะไม่เห็นเป็นภาพเรยนิยต so ์ภาพมนก็รู so so ้นภาพมันก็เห็นได้แล้วถ้าไม่เน่ตอนนี้ถ้าอาจจะเสกทางนี้ทางนิยถ้าทำได้ก็จะเสกเขาเรียกตุกขานิยต์จะปรากฏขึ้นมาเป็นภาพแล้วก็พยามล้มหายไปแล้วก็บอกว่าพยายามยึดสายภาพย้ำให้มันตั้งอั่นานๆให้หอสาภาพใภาพหงเห็นวัดแล้วก็หายไปแล้ก็พยายามเดินกลับมาให้มันตั้งอย่าง้าน มันตน้างอยู่ได้โรงงานแล้วท่านต่อไปานก็ลองให้แยกนะครแยกแยกที่เกิดออกมาเป็นส่วนกัน่ถ้าสรื่องนี้รื่องปติภาพนี้นึงอันี้สำหรับคนที่มีจรุดทางนี้ก็อาจจะเป็นนะแต่คนที่ไม่มีจลุดทางนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกรลือกได้นะครับการเลอกว่าเราไม่เนเรื่งมันมันก็มันก็เห็นในใจขงเราอ่นี้อาจจะไม่อาจจะเป็นภาพก็ได้เหมนเราลึกเราลืกถึงคนนี้คนนี้ตอนนี้ เราก็เห็นภาพแต่ไม่ได้เห็นเป็น้าพตอนน้เห็นในลักษณะว่ารู้ว่านหน้าตาอย่างแต่ไนด้เป็นภาพหนึ่งจอเป็นภาพที่เราเในจอีแต่พที่นาการที่นาเป็นส่วนนี้หมายควาว่าให้เราเห็นภาพนี้เงินเงินแล้วก็แกเป็นส่วนมามายั้นแ้กส่วนนี้ส่วนนี้งเราจะมองาต้องการหงเห็นว่าไม่มีตัวนต่อ อยู่ในร่างกายเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆมืนรถเหมืนรถเดียวก็ย่าชิ้นส่วนละมันก็จะมีแบบชิ้นส่วนอยนั้นมีเวรื่องเดียวกตไถึงห็เป็นบินน้ำลงไปอย่างนี้ไก็ได้ไม่ต้องจบแล้วก็ต้องลงไปตัวตัวนั่นแหละแ่างทีเรื่องย่าสามสามหรืออถามว่าตัวตนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรือยู่ที่ผมหรืออยู uh ่ที <Should> er pues ่นิ้หรือยู่ที่ฟัน ไันก็ไม่้อปล่ยนคนมันก็เียน้เปล่นนก็ไม่้่อากว่าด่มันก็ไม่้เลี่ยนคนแล้วตัวตนมนอย่ไหนันกอยที่อยู่ทาหงเราไปที่ไหน้า คก <hij> <t> ่ก็ได้นอย่างเว่ไหนมันกม่เดยก็มีแต่ก็อาเียวเอบว่ามเอย่างเด้วายรับทาารไม่ ก็มีสองทางนะคืออย่าพิ่งเลยที่จะนอและพยายามเพื่อการพัฒนาขึ้นให้งานยิ่งขนให้จุดสมดุลมากกว่านี้ของยุ่ง่ายก็ที่จย า, าต่อแต่ยุ่ยต้องยอมรับยากก่นกนอนยังจะเป็นเรื่องของทางก็คือมีแต่ทางหลายถูกมไนมาดูวาแต่ละคนแต่ละเรื่มีมีท า, างต่ตางทางแตเรื่องนี้นาน้างคนอานนนจะต้องย้อนกลับมาหาพลังทางด้านสมาธิกัน ถ้าติดมีกำลังกอดก็พร้อมที่จะรับกับอนิจจ่าจิตที่ว่าสมาธิคงจะไม่ใช่เรมากกว้วถ้าิดรวมรวแล้วมันรับว่ามันจะรู้ว่าจิตไม่ได้เป็นร่างกายแต่ถ้ามันไม่รวมนี้มันพิจารณไมได้เท่ตัวมันจตรอเะที่ว่าร่างกายกับิ้ที่มันจะตายไปเรืนก็ตัวจะไม่ได้ใช้สมาธิเลย เนี <endy>. ่ยเนี่ยก็คือหที่ว่าจะเาักที่ศาสนาได้ไม่ดีสมาธิ่จะทเนี้ยมันจะไล่เกี่ยวกัยเนียเพราะสมาธิต้องเป็นฐานของวิจารณนาณคือาเน่ยอาไม่อู่นอกจกว่าใช้วิาเพื่อทำบาจิตให้สงบให้เป็นสมาธิที่เรียกว่าัญญาอื่นสมางนั้นอีกอย่างถ้าอย่างนั้นได้ใช้ปัญญาเพ่อทจิตให้เป็นสมาธิ่อเม่มีสมาธิแล้วเข้ามาพิจางณาตายพพิจารณาอาน อย่งนันถึ ง, ถงไปได้ยังไงก็ได้ใช่ไหมคือให้มันเกิดความขยััยเกิดความยังเกียจจะไม่มามาไาไท า, ท า, า, างิีดีเห็นคนที่รอดมาแล้วก็เกิดเพราะไปโดยทางข้าวขึ้นาอย่านั้ก็ไม่หรอกแล้วเราก็อยู่เราเราอยู่ได้นะ เมราะจะเป็นสภาวะไม่ยุติธรรมที่เป็นพวกบบที่แบว่ากาหนดดูสติไปเมื่อยๆะลพิจารณาไปทีนี้กมีฐานสติไปร่อลงสติฐานพิจารณาก็ต้องทาให้มันลงสติฐาน้ได้ดิีวิธีึก่การกนดดูสติมันก็เป็นส่วนหนึ่ที่ช่มันไม่พอมันไม่โดนจิตมันจะสูานพิจะลณาสขาน่าก็ตามเื่อ ถ้ามันถ้าไม่ไม่ชอบนั่งหลับตาผู้ครอาผูครมันก็ต้องไปอยู่ที่โ้ครัวแล้วไปจเอวปะอะไรแรงๆแล้วมันมีกติเดีถ้ามันลงไปย่างนี้นอย่งผู้ชอบที่ด้านในบิาเอวปกับเสือโค้งนัเกนี่ยท่านมีกติในตลอดเวลาพอไปเห็นเสองก็แทนที่มันจะเป็นสมนกลัวมันก็มันก็มันลุลงไปสความสมเุลยต่อวางร่างกายหาเหน่งาตายก็หาไปเสือก็หายไป เนื้อแต่จุดมันล้วนอยู่ดินอยน้ำต้องลาบดิ้นลอไม่รู้สึกว่านงานพอเอาออกมาแล้วเพียง์ที่จุดใดในแผงไฟไหม้อย่างเง้นถ้าเป็นโคที่แบบไม่ทอนตงหลับจาพิโก้พิโก้ก็ต้องไปอย่างผู้เกียดเกลียดตัวียดแล้วไปจะหนือกับอะลางแรง้องทป็นตัวกระตุ้งให้จุดมันเย็ลง ถ้าไม่นยบมงก็เป็นบ้าเนยถ้ามีอีกถ้ามีอีกรานหนึ่งที่เขาที่เรียนกรรมานมาให้ฟังก็อยากจะเป็ีย้ลงปีท่าอยากไปเจอเสือันไปแต่พอไปเจอเสือจริงๆก็พอนาไม่ได้ติดใจมันมันสั่นไปหมดเลยพอเสือเห็นเสือพอได้ยินเสียกันมาไม่ยื่นไม่เข้าหมู่บ้านเลยพอเจอคนในหมู่บ้านก็พูดไม่เป็นสีไม่เป็นภาษาเลยภาษาเป็นอะไรนะบุญบ อันนี้ก็อย่าพึ่งไปเพราะว่านั่งพระติไม่ที่ไม่แก่ล้าพอัการปฏิบัติมันก็ต้องรู้รตําลังของตัวเองแต่เราพิุ่ธเห็นเขเรยนเขทําได้เราจะทําได้เราก็ค่อยไปเพื่ขัน้นเปนขั้นางก็กกสอแล้วก็มากลัวก็ให้อยู่ในสนติสอ่อยกลัแล้วถ้าออกมาอยู่้งอกสติมันน่าที่จะลาลวงหให้เขาไปอยู่ในต่างเรื่อง เรื yeah, that s S you. No, no ่องเขาอยากเจออะไรขึ้นเพราะมีการส่งต่างปกติมากกว่าใช่ใช่ มันจะ็นวิวิวัฒนาการแบบรวมมากกว่าว่าเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของของใจเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจของอารมณ์ต่างๆแต่ยังไม่พอเพียงราะการเนินวิารณ์นต้องการที่จะเข้าใจกัดความโลภความข่นความรที่มีในั้นเพื่อเราสามารถที่จะรักกับการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เพื่อร่ากายเราจะายวันนี้เราจะรู้สึกเฉยๆได้หรือเปล่า เราลองรับมันได้ไหมป่าวให้เราได้ตังหานในตัวตังันเราก็รู้ว่ามันเจาะมันเปลี่ยนในตังหันแต่มันยังเป็นทิษระดูเรายังไม่ได้อยู่ใกล้มันจริงแต่ถ้าเราไปเจอหมอหมอบอกว่าคุณมีเวลาลีวงสามเดือนี้ยคุณจะวัดได้ไหมเคุณจะรู้สึกเฉยๆได้หรู้ว่ามันเจาะขึ้นในแบบเหมือนที่เราคจะเล่นได้หรือเปลถ้าได้ก็แสดงว่ามันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าทิษประมาณนี้ไม่เกิดยปใหญ่ไปใหญ ไมา่ใช่ว่ามันเป็นไป้ไปหาของจริงของที่เราเราเราปฏิบัติอยู่ในบ้านนี่มันเหมือนกับเราต้องปล่อยไว้จากกับประสอบต่างมันก็มันก็ปล่อยมันก็ปล่อยมันก็ปล่อยมันได้แต่มันไม่เหมือนกับขึ้นไปบนเวทีเจอของจริงแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการฝึกสติที่เริ่มต้นเราก็ต้องมีสติไว้ควบคุมจิตใจแล้วก็มีพุ่งถามของปัญญาว่า มีการเสียบแ บ, บมีการไม่เพื่อนค้าวไม่ได้ทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้รับปับทานเป็นจริงหมนั้นได้เราก็ต้องไปพิสูจน์เอันนี้เรารู้แล้วทางพิสูจน์ว่าร่าจะส่จเปิดตาทีนี้เราจะออกไปพิสูจน์เหนว่าใจรับประทนได้การการการพจน์เนาะถ้าปล่อยแล้วก็ไม่อดข้าหรือเาล่า้างถ้าอยู่ว่าตาการมันไม่ต้องกินข้ากัน่าไปนอนที่ไหนก็ได้ถ้าใจให้เมานองที่หนก็ต้องนอ น, นได้ ก็อยู่ปัดท้าก็ไปได้อย่างนี้ถึงจะจไปพิสูจน์ได้ว่าการปฏิบัติของรานี้ได้ของนี้ไม่ได้ของนี้วัมีใครถามมาถามเลคนถามัห า, ามหาไม่มามู้จิ๋ สมาธิก็ทำมันด้วยพยาธิสวัสด ท, ท์าันงแต่ว่าสมาธิที่มันยังไม่รองพอถ้ามันมันไม่ถ้าเรียนก็ยังไม่คบรบ้อยถ้าถ้าปฏิบัติมันไม่ได้ถึงวั น, นี้ผลิตขึ้นมันจะทางานได้ถึงสมาธิที่มันจะเป็นกรอบเป็นกำที่จะเป็นฐานของปัญญาได้อยู่ได้ถึงไม่ต้องเป็นอัดธนาต้องจิตต้องวมเลยเลืถือก็จับแต่ว่ายิ่ กวางร่างกายรูปเคี่งวัตตองค์กเป็นไม่จะมีการถัดมาการจิตไม่ได้ว่าไม่ไปยื่นเปลี come, ่ยนไมันจะอยู่นิ่งมันตามองคการย่แต่นันเรถึงจะมีพลังที่จะเกิเลได้เพราะการดำสมาธิก็เป็นการหดนิ่งจิตเมื่อจิตหยุดแล้วกิเลสันกทางาไม่ได้ จริงแต่ว่าถ้าเราไม่เคยหยุดมันนี้เราก็ไม่รู้จะหยุดตรงไหนหรือขับรถกันไม่รู้ว่าเบอยูีตรงไหนหรืแตะทางเล่นจเป็นเวลาจะเบรอยังก็เบรคไม่ได้ที่เราไม่นั่งสมาธิก็จะหาหากันเบรคของใจนี่รู้จากวิธีหยุดใจเมเรารู้จักวิธีหยุดแล้เวลาเราออกมาจากสมาธิเลามาหยู่จิตปกตินะี้ก็เห็นลาครับจะจะต่เต้นขึ้นมาปั๊บก็ยใจได้ หยุดกนะิดไดเพราะเราียวิูนะ่ยแต่ถ้าเร า, ม ม, ม, รามมีกรรมะเพือทำนเราไม่รู้ว่าเบรกอยุดขนาดพอเกิดติเล็ขึ้นมามันก็เห็น ไ, ได้พอพิจารณาการตายการวิญญาณติดกัสวงตับชั้สร้างทุกนย่างเพราะมันจนนนะนะราากรุฟังตัวให้มีมากขึ้นแต ท, นที่จะทาให้มันข้ง ไ, ได้เป็น เพื่อที่ว่าติดตเขามาที่ยังไม่พอไม่พอคิ้องพยายก็ปฏิบ er ัต no ิกาได้ง่ายทำแบดรูปงานดาบดาบดาบสบายล้วไม่เราต่อเื่อแบบเดิเวลาเี่งจะทำอะไรตอนนั้นก็ไม่เล้สมดุลละเวลาอยากจะได้แลไรก็ไปไปทำตามคามอยากเอง ก็ไปดูการเกิดดาบของที่อยเ่นะอยากไปดูหนังก็ไปดูหนังแล้วอนนหนังจบตอนอยากอยากดหนัหายแปลว่าแถวนี้มันดับไปอ่นี้ก็ไม่ยาก เห็นกเลแล้วทํอไรนะเขาเรียิเลสไม่ม so ีูกิเลไม่อยจอนไม่มีกิเลสครับฐานของพะเจ้ากับขานของพุทธชนก็เหมือนกันใจของพระเจ้ากับใจกิเลไม่เหมือนกันใจของพระเจ้าไม่มีกิเลใจของพุชนไม่มีกิเลส เราเราหลงทุ่งกอย่างหลงลูกถึงติดรถกก็ตกความโลก น, นแต่ถ้าไม่หลงมันก็จะไม่ดตดความโลมาถ้พาพิจารณาก็ต้องไปที่รับเสมถึงพารที่เาราโลกเราต้องเห็นว่ามันเป็นเครื่องเงินเป็นวิจาว่ามนันทุ ก, ม, ท ก, ม, ทกมันก็ไม่คุ้มทีท่จะเอามา ถ้าทหารจะเอือดเจ้าทหารนี้ไม่ก่ากันนะทหาเป็นเพี่งเครื่องมือกันนั่นเอง่ที่ว่าใครจะไปใช้ถ้าเป็นอาธรรมมาไปใช้ อ, อรรชย่างนี้ใจท่านเราเป็นื่อนเพื่พสนสาว่ า, ากันสองคนก็จะใช้แันห้างเลยใช้ร่างกายคู่ใช้สังขารตป็นใจใช้ใจยาวโดยาการรับนี้เ็นนิพพานที่จคเข้าสูด้านอไป เราวัดความเสื่อม right. no ืยกยิงเราปวดตาใจตาที่มาเชื่อมต่อนเป็นเวลาปัจเจ้าเนี้ยแา่ก็ต้องใช้ขันยังไงต่อใจของท่านยังไม่ดีความโลกความโกทธอะย่างนีในขณะที่สัมผัสกับคนใดๆใจจะให้อะไรมาบ้างวัดเพียงไรก็ไม่เลยเดียวดีใจไม่เดียวดีใจว่าให้น้อยไปหรือให้มากไปแต่นี่ท่านยังอ่ใจขอท่านเป็นธรรมดารรมดานก่อน แต่าการของพวกเรามนี่ยมันไม่เหมืนนะแต่เราน้อยไปก็บนแค่เรามาไปก็อยากจะได้มากข น, น, น, นาด น, น, น, นี้มันไปอย่งน้มัต่ากันนะคนขับมเป็นเป็นพง น, นขึ้นมา้ป็นรถเดรถเพราะเดินรถาคาคนไม่เนาขับกับคนเมาขับมันไม่เหมือนกันนะคนเนาขับมันก็เป็นคนเ่าหลายเลยแต่คนที่ไม่เมาขับก็ขับบอนปลอดภ ผู้โดยสารจะสึงจิดม า, ายปลอดภัยนั่นเป็นสร้างความเด่นร้อนให้กับผี่อ่นฉันก็เป็นอย่างนี้เป็นเครื่องมีความผู้เหลก็ก็เป็นแบบพวกโจมที่ร้างตายเขาก็มีทานเหมือนกันแต่เขามีอิชาความรู้ความกลควเหมหอนความใแต่ผของก็าอริยาจ้างี่ในแต่ธรรมะทั การ of of ัดาท่านก็จะพาวไปถึที่ทวามบดสิ่งที่ดีที่นาขึ้นเป็นคุณประโเพรนั้นคถามนี้มันไม่ดีมันไม่มันไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นความเป็นภาวะธรรมมันไม่มีกิเลสไปตัวงกันเองมันอยู่ที่ใจที่มาครอบครองเวลาที่เกิดการปฏิเสธที่สหการณ์ของข้าวของคุณพ่อของคุณพ้อแล้วก็มีติดเข้ามานะเป็นก็มายึดติด เป็นการเริ่มผลิตรถยนต์ขึ้นมาแล้วก็มีคนสั่งจองไว้ก่อนเนะ น, นี่ยเพราะว่ายณก่อนเราคิว่าเขาผลิตไม่ทนันเลยต้องไปซื้อใจองไว้กัอนจองตอนนี้นะนเขากเริ่มผลิตแล้วเราก็เป็นเจ้าของตันนี้นะละร่างการนี้ก็เหมือนกันพอพอพลาของคุณพ่ อ, อคุณแม่เราเห็นการตกก็เลยโยงเงิงกิดเงินใจเงิยาเนี้ยมาจองเลยลนะข่างกัยนี้เนะสรี้ ต้ก็มันก็เฝ้ารอในเท่าอุจจาระตกตัวขึ้นมาพ่อเนี่พรนี่เป็นของฉันแล้วฉันง็อยาวไปท้เงินใช้ยืพอตัวขึ้นมาก็เอาไปทำอะไรต่างๆตามใจฉัไม่ตามพ่อแม่พ่อแม่อยากจะให้เรื่องพไปเที่ยวนี้ตามใจฉัพ่อแม่อยากจะให้เบื่อแคไม่บว่นี่แล้วพ่อแม่อยากให้เป็นกระต่ายแต่ก็ไม่เบว่อนี่มตามใจฉันเพราะจากนั ah, so so away, ก้นแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันจะสะสมมาทางไหน ถ้าจาับผมมาทางขันนะมันก็จะไปทางขันนะถ้าจาับผมมาทางตี๋มันก็จะไปทางตี๋แต่ขันมันก็เป็นเป็นต่างๆรัฐาใครจะมาเป็นครอบของมาอบครองอะนี้หอว่าร่างกายานั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เรามามาจองฆ่าต่อคนอื่นนะเนี่ยมันก็เป็นของคนอื่นมนากถ้าดวงวิญญาณค้อืนน่นเข้ามาเราได้ไปก่อเราก็ไม่ได้ร่างกายเราก็ตะองหาร่างกายเอง รานี้เขาจะไปทํอางก็ได้ถ้าอาจจะเป็นเนโจรก็ได้หรือาจจะไเป็นนักการเงิงก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้รัแจกจ่างมันจะชอบอะไรมันก็จะพาร่างกายมันไไปไปทถาทคนก็เอาหารถ้าไม่มีแล้วตั้ตไปแล้วเนโริดของท่านมุดต้มไปแล้วเนง่ย่านจะท่านท้งะมันก็ไม่มีสภาพอยู่แต่ท่านอย่ใน คือจิต น, นี่มันไม่อยู่ภายในจิตที่เรต้องเียนากล้างแคบไม่ต้องมีตำแหน่ที่ไม่มีก า, เารเวลาเพราะงั้นเาจะโทษว่ามันมันมันมีนนนแต้หนี้อันนี้ไม่ตด้เพราะว่ามันกว้างใหญ่เท่ากับจักรวาลกันละจาวเท่ากับคลองตากันละแล่วมันเล็เท่ากับย่างกายก็ะละไม่กเท่ากับตัวรถกระละแล้วแต่ว่าเราจะอะไราเป็นจุด จุดนับมันถ้าเราร่างกายเป็นจุดนับที่ล่างกายของเราก็เป็นตัวจิตตัวขนาดนี้ท้างก็เป็นจิตขยายอย่ตัวช้างมันใหญ่แล้วก็ว่าจิตใหญ่แต่ความจริงจิตมันไม่ได้เป็นตัวท้างมันไม่ได้เป็นตัวเนองนะมันเป็นเครื่องแต่งตัวัดกระแสขึ้นโทรศัพท์มือถือไม่ต้องายโทรศัพท์มือถือไม่มีทุกขนาดเลยขนาดจี๋แล้วขนาดใหญ่โตจะตัดเครื่องที่มาเข้ามาในเข้ามาในโทรศัพท์มันก็เข้าได้ ิตก็เหมืนเราจะถ่ายเอ่ข้ามาเข้ามา่านจางเลยมาทางกลางจิตมันสามารถไปแล้วทั่วจักรวาลภายในแค่เที่ยววินาทีใ น, นที่รู้จ้าทรงแต่ว่าทรงแต่อ้าแขนเราไปปั๊บมันก็ถึงเ น, นีถึงโลกนั้นถึงโลกนี้แล้วราจิตมันอยู่ทุกแห่งทุกแห่งมันก็อยู่ตรงไหนก็ได้มันจะสงจิตไปไปไปไปทัป้งข้าวไปเข้าไปในเครื่องเครื่องหนังก็ได้ตามเลเข้ากันห ถานที่ความใกล้ชิดไม่มีปัญหาสําหรับและอย่าไปคิดถึงเรื่องจิตมากนะเพราะมันเป็นแบบจิตใจสาหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัแต่ถ้าสำหรับคนปฏิบัติแล้วมันรู้อยู่ใจมันมันแบบมันรู้ว่ามันไม่มีความไม่มีความกำเป็นจะทำให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาอที่คุยันอยู่นี้ก็คือตัวจิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นตัวที่ เป็นเครื่องมือของจิตเท่านั้นเองตาจิตมองไม่เห็นจิตก็เลยคิดไปต่างๆนานาแล้วรู้นนะจากตัวเราเองทพียงไงเพรเราไป็นหลงยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่ไม่แค่ตัวเราที่ใช้เองคือตัวจิตเราอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่างงาตรงนั้นจิตยั่งไหนเราก็อยู่ตร ง, งานั้นแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นจิตที่มันอยู่ในสภาพที่เป็นของมันเนือ้อ มันงอยู่ับบร่างกายอยู่กับไม่เสียจนวัตถุธรรมะไม่ใเลยทึ่ว่าจิตนยู่ไหนั้นเป็นจิตที่มันมุดิยู่ามันติดในในมิติของสิ่งนั้นล้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องจิตเพราะจิตมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตปรหลายเหมือนกับภาตจิตในหน้าหนึ่งฟงมันก็ไม่หายไปไมันมารวมกัน่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ กาเปนยานี่นที่เราเล่าประทานกันนั่นก็มาจากการเวียนของน้ำลมามาเป็นผักเป็นเนี้อเป็นอะไรเป็นขนน้ำมันพอมันเข้ามาในร่างกายละมันก็สวนนี้มันก็เข้าไปเป็นเนเป็นขนเป็นเลือดเป็นควในส่วนที่มันร่างกายไม่ต้องการมันก็ถ่าออกมามื่อกลับไปสู่สู่ดิงอย่างเดียวไปถ่ายในป่าดินเองม่ไปอยู่ที่นเดี๋ยวางกายมันดึงกมันก็แห้งเดวร่างกายมันดึงไปงานมันก็ระห่ยระห่ย มัน ก, ก็วันเตเรือยมาไหมมันก็มิจัยโทษไปเรื่อยถ้พภาษาสมัยใหม่ถึงมันก็มีจัยโทษไปเรื่อยแต่ล่างนี้มันเา้าไล่างแต่มันไม่ได้ไมัน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้เนอย่างัมันก็มติดอยู่ตรงน้ปัญหาไ ม, ม่ได้อยู่ที่จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรกับมันตัญาจะทำอย่างไรไม่ให้มันทุกข์แค่นปัญหาอยู่ตรง น, นั้นเหมือกับคนที่ถูก เอาอิด้วยลูกธนกผมมีเลือดนูนะลูกนฝั ง, ย ง, ยงย อ, อยู่ในอยู่ในร่างกายมีคนจะมาช่วยเอาลูกธนออกมารัขาองหขก็หา้าไว้่อนหมดแล้ว่งทำเอกานก่อว่าคนที่ยิงนั่นเป็นคนชื่ออะไรผู้หญิงผู้ชายมีอายุเท่าไหร่เป็นคนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยมวไปขาหาข้อมัลตอนนั้นก็ตายดีแผก็แผลก็แน่าตายก็ดี ใจเรก็เหมือนใจไม่ต้องไปรู้เลยว่าใจมันเป็นอย่างไนมันกว้างมันใหญ่มันเล็กมันแคบมันอยู่ตรงไหนเวลามันบรสุดธแล้วมันจะเป็นอย่างไไม่ต้องไปสนใจรักษาให้มันหายเห้าเอบส้อปัญหาหนึ่งตงนั้นแล้วมันจะรู้เองไม่ต้องไปสงสัยว่าโอ้ยแกตายแล้วอยู่ตรงไหนอามารติดต่อกับเราได้หรือไม่นี้ก็านปัหาว่าพระพุทธเจ้าอาหารที่ท่านนิพพานเวลาไม่ยอมาติดต่อ กับคนที verbs, right? ่ม yeah. ีชีว <cultural> ิตอยู่ได้หรือไม่แล้วก็บอกก็ไม่รู้นะแต่ก็มีมีพระอาจารย์เล่าว่าระยะท่านชอบสมาธิท่า็มีู่พระอิศชาตมีพระหลายมาเป็นสมาธิสักครั้งนี้เขาจะมาในรูปแบบนเราก็ไม่มีหมือนกันแต่ว่าตัมันก็ไม่จำเป็นใช่มาก็มาไม่มาก็ไม่มานี้มันก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาอะไรถ้าท่านมาแสดงความให้เราฟังแล้วเราก็ไม่ยอมปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไง ถ้าท่านไม่มาแต่เราสา ม, มารถเอาธรนาามะคำสอนให้ท่านเร า, เาปฏิบัติได้มันก็จะเกิดประโยชน์ได้มากกว่าไม่ต้องไปคิดว่ า, ามิจฉาเนี่ย่างไรท่านไม่จะยาทมิจฉาเราหาเจ้านี่ก่อนสูงหรือป่าถ้าเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคล้ายว่าปัญหาอะไรปัญหาโลกแตกที่ใจก็ไม่เกิดประโยชน์มาทำหน้าที่ที่เราต้องทําเลยค่ะ มาเล่าสมาธิกนให้ังในการปัญญาพิกเจนาศิษธรรมทจณาปฏิปูนทุกครั้ง่อนะัประานานารมาตอนนี้ต้องดูนะะได้จนสิมือคูเรียสอนแล้วถ้าเ้าท่านแล้วก็ไม่เอาไปใช่เลย้าภย่าีเวลาจะใช่ไหไรในตระกสิงท่านมาครั้นให้พิกานาเาเรียกปฏิสังขาอยู่นี ให้กิจารณาควัให้ิจารอาหารบาุญธบรมให้พิจารที่อยู่อาศัยให้พิจารย า, าักษารโรคเป็นเหน้าที่ของสิ่งเหล่านี้จะรับอาหารจะเพื่อรับประทานให้มันดับทวาหิเท่านั้นเอ ง, เองไม่ได้รับประทานเพื่อความสมนสมุลทางเทหะบงคนจะกินอาหารที่ต้องจัดเป็นงานต้องเชิญคนเรนน้อยอย่นี้มันมันไม่เพ่เรื่องของการกินอาหาร อันี้ดูปฏิสังขารยังมีเสไม่ได้พิจาราห้ผลเป็การรัการการใส่เื้อผ้าจะเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นเองถ้าพิจารณาแค่นี้จะไม่ไปชื่อเชื้อผ้าเป็นชุดนัมมนเิงเป็นแสติดกระดับคอยกระดับเพชรเป็นบ้าไปอย่างนี้นติะทาไมมันได้ประโยชนอะไรมันมีไว้ก็เพื่อมันเสื้อผ้าที่ไม่มีประดับเพชรประดับคอราอว่ามันก็เป็นชื่อข้าเหมือนกันแล้วก็ปกปิดร่างกายเหมือนกันเนี่ยเพรม่ปฏิงขารยังมีเส ขั้นที่สองนะครับปฏิบัติจะได้พิจารณาจะได้เวลามีวานเก่าแล้วปะจะไ้ไม่เสียวเสียใจไม่คิดในเกลียด้าเป็นถึงตามใาชอบแล้วทพระพุทองค์ก็ใส TA ่ผ um be ้าให่หม่มีปะเองเป็นนปะแล้วก็นนิสิตในคำว่านที่หนใ้มันใช้ได้ก็แล้วแต่นนิสิตปหาตจะปะนิค่าท่าปะท่านไม่รีรอที่จะปะหาหารอยท่าเก่าไม่เจอวมันยังใช้ได้อยู่ ไ้าใช่จะูกิดปิ่างกาไม่เห็นไม่าหนราายาอันนี้หเป็นหลักถ้ า, า, าที่จะร่องความหมันจะันกระจายตัวมัถูกคนจัดกันอยู่อย่างความเย็นปดูอย่างธรมะจริ ไม่กลเน่ขาเล่าเอว่าัตาท่านาาก็เคยเล่าให้่าวว่านิพานนี้ไมไ่ทั้งอัาแลไม่ใช่ทั้งนมตามันไม่ใช่เป็นสมม่นนึ่งเราะ้บอกนิพานพานี้เป็นนิมมันไม่อยู่ายใต้นิสิตั้ง่นนที่ต้องใช้นตาเพ่อมากาจัดความหลงที่มีในจิต จิตของเรามันมีความเห็นอัตตาเป็นตัวตนในสิ่งต่างๆในร่างกายก็ลเลยมาเอาอนานาจการาความจริงของของจิตดำเป็นอนาาัตตามันเป็นดินนะ้ำเงินไปมันตัวตนได้อเล่าใน่างกายนี้มันก็มันมาจากดินน้ินขะอมันไม่มีตัวตนเขาต้องเอ า, อน า, าเนื้อตาองเพื่อมาทำลาย า, าแต่ตัวจิต ท, ที่มามาที่มาที่มาพิจารณานมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนนะแล้ว มันก็ตัวติดตัวมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในธาตุทั้งหมันมีอยู่หกธาตุด้วยกันมีดินหน้ามีเปมีอากาศกระทและก็มีธาตุนี้ติดถังแม่ติดนี่มีทางหนึ่งหนึ่งหรือในหนึ่งติดอยู่กับดินหน้ามีเปล่าว่าเป็นเสือเป็นตนแล้วก็ไปทุกข์กับมันแค่งั้นเองก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ความที่คามหนึงติดมว่าเป็นตัวป็ตนก็ต้องใช้คิอาณาจารย์อนัตตาตัว เป็นตัวแก้เมื่อที่จะาเห็นว่าเปน่าตกาแล้วก็ปล่อยวางเพราะเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับวัตถุเหมือนกับถ้วยใบไนี้เวลามันเป็นนะำายไปย่าไมเดือดร้นเราจะเฉยเฉยไเป็นอะอรเลน้องนพอมันปล่อยวางแล้วพอพอปล่อยวางหมดล้วจิตนั้นก็หลุดพกนจิดนั้นก็เรียกว่านิพพานจิตที่บรจสุทธิไม่มีความโลความกความั่งยจิตนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับ อาเรื่องนั้นายมันไม่ไม่ใช่เรื่องมันควรจะเรื่องแต่แต่ควรเอามาเอามาผูกกันเท่านั้นเองที่จริงมันไม่เกี่ยวจิมันไม่ได้เป็นอาการนั้นตามาแต่ด้านนึงนะมันก็เป็นจิตเป็นภาตนี้เหมือนดินน้ำลตายมันก็ไม่ได้เป็นอากาเป็นอาการทีแ่เมื่อเราไปว่ามันเป็นอาการเราก็ต้องอาามาแก้ว่านไม่ใช่มันไม่ใช่อร่านันเองป็นตึ้งเป็นน้ำเป็นเป็นไ บาทีคนเราเจเวลาคนไม่ไหวเนี้ยเพราะไม่ปฏิบัติเอ่แต่แล้วก็มานั่งคิตดตระหนกเอแล้วก็อดเฉยเนี่ยแตพวกเขาเรียกพวกคนตาบอดถ้ า, าคุณทำช้านยแต่แล้วคนก็ถูกด้วย น, นะคนที่ไปทมที่ ท, ท้องช้านว่าเป็นเนือชา้านตัวน้เหมือนกับฝ้ากระหน่ำคนที่ไปจับขาก็ว่าเป็นเหมือนเชือกคนที่ไปจับมืก็เป็นเหมือนมืต้องตั้งใจผิด ถ้วก็ตเงันแบบตาดำตาแดงเลเราเห็นเป็นเป็นเป็นส่วนๆใส่กันไม่เห็นเข า, า, างนการศึกษาก็เหมืการอ่านหนังสือการอะไรแล้วไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะจอาไปจิตจตนาเอนเวไม่เคยไ้องตรงยิ่จะอ่านหนสือพี่ก็เล่า ว, ว่าองรงมีอะไรมากก็จนตนาการในต่างๆนา้ถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็มานั่งเถียกัน พอหยุดเคยไปมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่ารานะนั่งเตีเงก็คนที่นี่ไปไกลอยูไกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคือเสียตัวให้ก็แล้วให้ก็ไปี้ากเลยค่ง่ายกว่าพวกเราก็เหมือนกันอยากจะรู้ว่านิทานเป็นหนักตาเนี่ยนกตาจะภาวนาเลยนี่นัดแต่ก็เดินไปเองแล้วก็ถือเงินได้เถึงแล้วก็ไม่มีเสียงไม่เห็นมอ่าไหนมานั่งเสียงกันว่าเป็นหนักตาหรือเป็นหนักตา 你没打破国内行业，别人的娱乐。大家来玩，来玩爽了。那家，今天要呃，拉拉拉拉上，然后去玩一下。 สามพ่อของวานนะคะไอ้สามพ่อของพ่อพี่เนมาอยากเอินเขาจะารบ้านจะทิชกนแก็จะ้คนหหวงนะอไวไ้ปาวมาตักที่ตกข้าว่จะมุไปไว้ก็องนี่ว่าก็ที่จะคุณเขเป็นหนุ่ม่ของบ้านก็แล้วกันหรือเป็นคนที่ใหญ่คนใหญ่คนโตแล้วก็ไหว้คนนั้นไหว้คนนี้อยู่ั การวาคขนมไม่ได้หมายความว่าเราเรายึดเขาเป็นสาระสาระของศาสนาเนี่ยนี่อยทำเดียวก็คือคำว่าต่ำถ้ายึดในหลักกรรมถ้าเรายึดเรเชื่อในหลักธรรมนะแสดงว่าเราเชื่อในะธรแต่ถ้าเราไปเชื่อหงุดหไปเชื่อดวงเชื่อดางเชื่อเรื่องทำนายภัยพิัตเชื่อเรื่องอะไรต่างๆ่งนี่ยแสดงว่าเราเราห่างเหินจากพระรรมสั เราเรู้มว่าทามาท่าไม่ขึ้นเลยพลี่ยงที่อบริษร ก, กทตัวหนเร่อมันจะดีขึ้นหน่อยคนถืเงาก็กนึของตัวเองชื่อของตัวเองแล้วปวดเจรา้าวหน้าทางล่างการงานถ้า น, นี้เราไม่เริ่มตัวว่ า, านะไปเป็นสรรราธาะถ้าสาธารณะมันต้องมุ่งทุกการ ท, าทาําการดีถ้าเราที่เกียนนอถ้ทำนั่นขยันมากที่สุดแล้วทเอานชนะใจเจ้าหน้าให้ได้ ไปตั้งแต่ปีห้าเลยทนันที <c oughs> เลิกมาสองทุ่งเด๋ยวเจาจะได้ขึ้นเงินเดือนะ่ไหนองได้ขึ้นแนะแต่เราปสายกับตอนนี้นันจะรเจริญได้อย่างไรพญานะนะมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกนะระกรทำของเราเองอย่างอื่ก็คือองค์ประกอบบทีมันก็จำเป็นเช่นเราจะนัดกันมาเราก็ต้องนัดไวใช่แต่มาวันจันทร์งมาไม่ได้ อย่างนี้กาไม่ได้เป็นตัวสำคัญัวสมัญอยู่ที่การทำบุญมาทมเพืเ่อทความาปฏิบัติคนอั น, น้อเป็นเรื่ังสำคัญการเวลาเป็นเรื่องแตเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่จะทำให้เกิดสิง่งนีน้ขึ้นยาก้อยเพียงกั่ mm hmm. นั้นทางจาสนาที่มาเลิก mm hmm. เลิกเลิกะดวกไม่ต้องไปดูไม่หามหมอวจะ จะจะทำอะไรวันไหนพดวงเมื่อไหรก็ทำใวันนั้นเลยลเาจ็บข้าได้ปัวยนี้ก็ไปดูแลก่อนหรือเปล่าจะไปหาหมอันไหนดีปวดต้าก็ไม่ต้อหาหมอทันทีเข้าใจนะตอนนี้ของของของเราก็เกลี่ะจังอยจังดีทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อ ทำก า, ารทีละบาททำจัดทำโลกทส่วาทำหนนี่คือหลักของศาสนาส่วนของศาสนาอีกส่วทั้องไม่ได้ถึเท่ั้นอย่งน่เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบใหามันถูกกตัญญูเกิดไม่ให้ตกขัดกับสังคมทีเราอยู่ในสังคมเขาว่าเขาคุเราก็ว่าเขาของเทนั้นเองแต่เราไม่ได้ไปหลงไปอะไรไปกับเขา เราไปโบสถ์ทางเราไปโบสถ์ทางก็ทำที่ถืออะไรเราก็ต้องไปทางปับเขาแต่เราไม่ได้ไปทํางเพราะเราเชื่อหรือเราอยากจะได้อะไรสักการณ์อะไรอางนั้นแต่มันอาจจะเป็นสังคมเพราเราเป็นนักการเมืองเป็นสสอแล้วคนที่จะเลือกเราก็น่าถะจะมีปัญหาทางไหนเราจะเขาต้องไปเอาใจเพราะว่าแต่เราก็ไม่เล่นนะความว่าเราไม่เราเราไม่ได้เชื่อในเจตนารมณ์คือแต่ว่าเราทําำไปก็มันเป็นความจรินเรื่องของสังคม ไม่ต่ใว่าลูกคายไปนอกรอาจจะยกมือไหเลยก็แล้วแต่แต่ใจภายในอาจจะรึพิธรรมพิสูน์ก็ได้ใชทไหหมกมือไห้กคู่เจ้าที่จะต้องไห้ให้ไห้นะแต่ใจเราึกถึงพฤติธรรมพสน์ก็ได้ก็ลเราจะทําก็แล้วจะด่าก็แล้ว่าไห้กนใครจะไปรู้เนาะอที่เราต้องไหว้คนที่เราเกลียดอย่างเงี้เพราะว่าเราไหางนอกใจเราก็ด่าเลยก็แล้แล้ไม่ดีหรอนะอยากไปอยากไปด่าใคร ถ้าเาเชื่อว่าในพระราชนายเาไม่ไม่ีธมนียเสียดายง้ท่านไม่ว่าอะไรท่นไม่เชื่อว่าในพระพุทาสนาเขาพระองนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้ศรีวัตกพระจ่าพราณที่ไหว้เพ่อนแ่งงาน้เขาเรยเป็นผู้ศรีแล้ว สเราตั้เ ร, ราไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่าิ่ีอย่า้ช่วยอยู่ที่ทำอยู่ที่การอยู่ที่สิ่ละคนถ้าเราไม่คาจากกับแตชีิตั้งมั่นอยู่ในงหน้าเราเราไม่ต้องไปว่าอะไรแต่บางทีเร า, า, าก็ทำไปเพื่อไม่ให้มันเป็นการขัดกับ ความรู้สึกของผู้่หนึางคือคนในบ้านเขาอยากจะว่าประหยัดแค่่างฐาก็พอเราไม่ต้องไปไปความเขาเขาอยากจะตั้งเขาอยากจะว่าเพราะว่าเขาอยากจะให้เรามาว่าเรียกแล้วก็ว่าเขาทำเพอเขาสบายใจก็จะอยู่กันเยอะๆเมื่อเยนเมือนั้นอยู่แล้วทะเาะกัการต่างๆหรือทิศต่างๆก็มันมันก็ไม่ต อมันมีการกระทำของเาารามมีเป็นเรื่องของักปัญเป็นปริยาที่เถอยไม่มีจิตใจครับเอยืมเกี่ยวเพืเงหรือทำแล้วมีมีจิตใจนงนเงานเงาตามไปด้วยมันเป็นเรื่องขรักัญแต่ถ้าโสดาบานนันม้ท่านบอกว่าเวลาไปวัดเราเจงคนที่โตเนื้อมีการพนท า, า, า, าทางจิตท่านก็พนาทางจิตอะไรต่อ แต่ทงจิตง่างงนนีมีแต่จิ้ายอยู่ตลอด เ, เลนอย้ไม้ว่าจะสาทานนะอย้รามันเป็นธรรมชาติของจิตของาดาวังที่จะมีรักษาจิตห้ายอยู่ตลอดเวอย่ได้แต่สมาทานนีไม่มสมาทานกันแต่เมื่อเขาไปอยู่ในสังคมคนที่ยังสมาท า, านอยู่เาสมาทางกเขาไปไม่ใช่บอกประากาศเไม่ต้องสนาทานนะแล้วจมาทานกัไปแล้วกันมันก็ถูกเป็นแต่เขาไม่เข้าใจ การสมัครการมันไม่ได้เ so ด็ดขาดไมเกิดจิตขึ้นมาสมัคการเป็นเเหมือนกับเป็นการตั้งศจากอธิษฐารว่าจะรักษาสิ่งห้าแท่นั้นเองแสดงว่าเราไม่มีสิห้าเลยเรถึงต้องตั้งศัจจะว่าจะรักษาสิ่งห้าแต่คนที้ก็มีสิ่ห้าแล้วเขาก็ไม่ต้องมาตั้งศัจจะรักษาสิ่งห้าไปทำไมเมื่อเขาไม่อยู่แล้วแสดงว่าถ้าเขาโด้พูดอย่างนี้แล้วคนไม่เข้าใจเขาหาเขาติดนีไม่เี็าดว่าเพี้ยนอยู ก็าี่อยู่นสคนสคนเชียนคนดีก็ต้องเช่งามไปด้วยหอตามไปคนเสื่องไปคนเดียวกายเ็ดีไปหมดแล้วเที่อคนเดียวก็ส่วนใหญ่เป็นงั้นเขาจะเขาจะถูกหลักเสียงข้างมากเลยพวกพวกลาพวกหน้าก็ลาดไปใชไมไม่ใช่พวกติดข ได้แต่ทั้งนี้ฟังได้แต่คุยไม่ได้เลยน้องนี่เป็นได้หวานค่ะาางคุไม่ได้ภาษาจางสีได้สได้ไมได้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 จะเชื่อก็ได้แล้วไม่เชื่อก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ชาตนี้ว่าเราทาความดีหรือไม่ถ้าเราเชื่อชาตนี้ว่าเรามีสิตวิญญาณดีนะเพราะชาตนี้เราสามารถมีความสุขได้จากการทาความดีเชื่อไหมถ้าทำความดีใปแล้วแลถ้าเราทาความดีไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นจะเห็นว่ามีชาหน้ามีชาติชาติอนห้ ไม่ต้องยักสมาธิสมาธิอะไรที่ต่อไม่ต้องแหละให้น้องให้มันได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีนันเหมือนกับเป็นไปเอาไปไปเอาของฟรีที่เขาแจกในร้านขายเค้ขายคอยเนี่ยาไม่มีกาหนดเวลา จะอยู่ก็นั่งกี่ชั่วโมงก็ได้อยู่ได้นานเท่หล่ก็จะไล่ตนวเยอะถ้ายอยู่เรื่ยวก็ได้ น, อ น, นออออ้อยหนอยคป็มของอีกท่านปล่อยไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับมั น, จ ะ, ม น, มนจะเป็ผของใจพานเจ็บปล่อยให้มันเก็บเส้นต่้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันดับไปเอง ใ, ใจเราก็ ท, ทํทำติดภาวนาไป ถ้าเราใช้อะไรเป็นเครื่อ ง, ง, ง, ง, งยึดกับจิตใจแล้วก็ใช้อยู่แบบนีน้ถ้าข่มเินก็ข่มเงินไปเรื่อยๆมันจะเกิดจะปวดยังไงก็ปล่อยลงไปไม่ต้อใจเลแล้วถ้ามั น, าามนหาไปได้แล้วจิตเราจะ ส, จสบงบลงเลยถ้าเราจะนั่งเห็นตัวจิตไม่เห็นตัวจิตแล้วก็รู้ว่าจิตกั่างกางนี่มันคนลตัวกันร่างกาเป็นอันเหมือ น, นน้นกับแก้วน้ำนี่มันคนละอันั ถ้าเราไม่เทีอยวมันเราจะไม่เห็นว่าเพื่อนมึงอันเดียวกันแต่เรานั่งสมาธิแล้วจิตกับร่างกายมันก็จะแยกออกจากกัจิตออกแยกออกจาร่างกายเราจะรูว่าออกร่างกายเป็นอย่างจิตเป็นอย่างร่างกายตายแล้วจิตมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอเรู้ว่าอ๋อใกล้ก่อนมันก็ต้องมีแ ห, หน้าหรือก็ต้องมีว่าจิตนี้ไปไปเปลี่ยนไปอา่างร่างกร่างกายก็เป็นเหมือนเม็ดยาม จนมีรถจิตคั้นี้รถมาสี่พันแล้วยังมีเสื้อผ้ามาติดขึ้นเสื้อผ้าที่จาก็เหมือนชาติก่อนเอี่เสื้อผ้าที่ใส่ตอนนั้นมันใส่ไม่ได้แล้วเดินขึ้นไปก็เป็นเป็นเหมือนชาติก่อนเนี่ยแล้วเสื้อผ้านรียเที่ยงไม่ซื้อที่ยงอยู่ที่ล้านเดี๋ยวไปซมาใหม่ก็เป็นชาติชาติใหม่แต่ร่างกายก็ร่างเ่าใช่ไจิตใจก็ติตันเดียวกันจิตใจก็จิตใจมันจะเปลี่ยนร่างกายใช่ไห เราจะไม่ได้เป็นร่างมนุษย์ก็ได้เราจะเป็นนกก็ได้เราจะเป็นยาวก็ได้อยู่ที่เราทําอะไรในวันนี้ถ้าเราไม่รักษาสี่ห้าเดี๋ยวเรากต้องไปเป็นนกเป็นนกเป็นป่าเป็นสุนัขเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้เราก็จะสามารถเป็นมนุษย์ต่อไปได้ทุกสังกัดอยู่ในตกลงวันนี้ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราทํารรมเวไม่จะทํำบาป ถ้าเรายังไม่ยังไม่ตึงผังคามเยนว่าาจเกิดที่สุดแล้วขจะได้นี้นี้เ่องจะได้างความดีข้าคไปเร่ยเ่จนาที่สุดจะเป็นเหมือนด้าเหมือนท่าละหและตอนนั้นเราก็ไม่ต้องไปเนต่างต่างวาว่าเราา เห็นเขาเห็นคนท่านผู้น well um> ู้นบางท่านจะหลอกกันทุกเทศนะกนเดินจิตทุกเทศแต่่าเดือนก็คือเวลาเนี้ก็มีมีคนมาขายแบบนี้กันเป็นเดือนๆเมื่อเมื่อวันจับเมื่อสองวันาวกหรือท่านเดินก็มาเดนกันเองเพาะว่าขาเรื่องนี้จะเดินทางไปตามเสน่ห์เมือง มันเป็นเนเดียวคือไม่ยืนงานะว่าเป็นเที่ยวเดีวไม่แต่ว่าเป็นตามต่อับางครั้งก็จะเป็นแบบเป็นสายเป็นเหมนมกับายมกับสอยคอทองคํานี้ยเป็นางจะเกิดขึ้นแค่นี้ตัวหลงงานฝุ่นเป็นพวกี๋ขาวเนี้ยมันดยนเี้ที่มาถ่ายภาพมาเปนเงินเป็นนแ้วก็มียอดเงินมาขายที่บนเพามันเด็ดก็ยืนนะมันเป็นให้่ขาแล้วก็มาให้ดื แต่เราก็แบว่าไม่ยืนยันแต่ก็ไม่ไม่ปฏิเสธที่ของเวื่นี้มันมันไม่ได้เป็นเรื่อวา็นลางเรรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ได้เกิดเันไม่ได้เขาไม่เกิดเราเราหายไปเ่จะรู้วว่าเออมันเป็นเป็นส่วนนของความจริงคางนดงีมีจรไม่ากายแข็งไี่มีจริง แต่เราจะหยุดกยารไุ่งยไปใจแต่เราไม่ได้หยุดจากสิ่งห่านี้เหล่านี้มันไม่ได้หยุดมัไม่หยุดจากการปฏิบัติของเราแต่ด้ว่ามันก็ดีมไม่ต้องไปเผลอตักทางความเชื่อเพาะเรดมีจิตะมีวิริยะใลทางพยายามทำเพื่อทำความดีมากขึ้นไปค<ส>ือโดยหลังแล้วอะไรก็ได้ถ้ามันเสร็จถ้เราทำความดีถ้าเราท ำ, า ม, า, ท ำ, า, มทำามดีมากขึ้นเยอดีด เพื่นบางคนต้องเห็นเห็นเห็นเห็นลงสกให้ก่อนถึงจะเรียกทาดีคนดูเห็นลงศกก็ต้องถือว่าดีนะเพราะมันตอนนั้นเราได้ได้ทำบุญแล้วปั่นทิ้ลงศกอะไรเงี้ยเนี่ยดิบพอทิตืนตือกหรือกงกงรรมนางวันนี้ก็อิดสงวดนก็ได้เห็นติดใแล้วมันก็ติดใจติดใจตลอดแล้วมันก็พิจารณาไปเรื่อย เราคนนี้ก็สนตายก็ไม <Good. S 2> well ่ก็อนกจแล้วก <Good. S 2> hm. ็สนาจไม่มีใครไม่ตายเลยก็ถึงมนที่เราล้ความนี่ของเราก็วันก็บาายอะไรที่จะเรื่อยๆพอเาตายเราเราก็รผิดเหมยนไม่เรื่อข้าเสียหายใจไม่เรื่รงองเราไม่เรื่อเชื่อได้ไม่เชื่อยักษาใใจเราเป็นปกติพราคนนี้ถ้าไม่คิดก่อนละก็ถึงเสียใที่ี้องให้ร่างกายของาจะอยู่ไม่ได้ ถึงไม่ได้ยั้เพราะเห็นอะไรก็ขอให้มันน้อมก็มาให้เป็นมรรคใหได้น้อมก็มาให้มันเกิดเป็นปัญญาให้เป็นสมาธิให้เป็นศีลให้มันเป็นทางได้ก็แสดงว่าให้ได้ถ้าเห็นแล้วทาให้เราอยากจะทําบุญมากขึ้นจะดีเห็นแล้วทาให้เราอยากจะรักษาีตัวนี้ก็ดีเห็นแลาอยากให้เราทำน่าสมาธิให้ก็ดี เห็นไดย่างให้เราพิจารณาเห็นได้ให้เราปล่อยวางได้ยินดีอ่ะมันเป็ีพิจารณาเห็นความเสื่อมของดอกไม้นี่ก็คนน่าจะปล่อยวางพระพิจารณาดอกไม้แต่ถ้าเห็นว่าดอกไม้ก็เหมือนเราพิจารณอย่างนี้เลยนี่คือกระดอกไม้มันเด่นนะรอกษาได้สอ้สวันตอกไว้ในใจทำไ้จีวมันก็เังรักษาได้นะแต่คนนี้เน็นไทยลายยาวนแต่จะสร้างนิยาวมันก็เหมือนกัน มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับตอถ้าพิจารันเปลืเทียงไปเนี่ยนั่นก็มันรู้ได้สายวันได้ไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งบอกว่าตาดูดูหูมีฟังใจมีมีวจิตเห็นอะไได้ยินอะไรจะขอให้อภรณอิโก่ให้มันเป็นภรณ์ขึ้นาแล้วให้มันเป็นธรรมขึ้นมาก็ ธรรมะที่เป็นอปตนะยโกก็ให้เป็นโกนี้เห็นอะไรแล้วก็น้อมมันเข้ามาให้มันเกิดเป็นนักขมเป็นปัญญาเส่น้องที่นาแล้วให้เกิดเป็นเตอเห็นเท็คอยแล้วเราโอ้ตาลุกวาวอยากจะได้แบบนี้ไม่ใช่อนะยิโกถ้าเห็นาน้เราจะเห็นเป็นโทษตรหึงก็ได้ทําอย่งตาริก่าวอยากจะได้เปิดตาอิจฉาวิเตีย จบความพ่อแท้ไม่มีกำลังศึกษาแรงใจที่จะทำลายอย่างนี้เป็นการเห็นแบบเกลียดแต่ถ้าเห็นค้อื่นก็ได้ดุได้ดีถ้าทำให้เราเกิดนี้คือความอยากจะได้ดุได้ดีทำใหเราเกิดมีความวิริยะทางกยายันหนักเพลียดมากขึ้นต้องแขนนะะ่งกับเขาต้องทำให้ดีเขาไม่ได้เพื่อเราจะได้ดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้มันไ ม, มน่มันไม่เป็นโทษมันเป็นผลอย่างที่บอกวิจารณ์เราจะยังไม่ให้ตัวเรา เราทำงานที่เกยงเนี่ยเขาจะมาก็าจะเรื่องเราขึ้นไปได้เน่ยไม่ต้อมีคนที่เรพยายามกแล้วนะแต่ถ้าเราเราขยันจากคนอื่นเราจะทำงานในทุกปีห้าเลื่อนยาวของทุ่วโมงไม่นานเขาก็จะขึ้นขึ้ น, นเราเรานย่างง่าอยา่ายแต่ที่นี่ก็มีอยู่คนนึ่งนะเขาเป็นคนทางานฐันยาเนี่ยเขาทำงานหกวันเขาจะได้หกวัน ตอนวันที่เกองเขาไม่อยู่นะเขาไปเต็นยานเขาไปเจอเ้าดาแทนเขาจะอยู<ส>่ทำนี้นนมาตลอดเ น, ะนะถาถามวา่านี้ทําปทมพราะท่านอเขามีทำศิษย์รู้สึกว่าอาพีา่เก่าเขาเป็นกับเลยแล้วก็เป็นโสนด้วยไม่ได้คาดเนียจิตใจเขาอาจจะเจป็นัพวกเราไปนะเขามีคำศิษย์กับสภาพหายใจอยนะ่างนี้ พอทำงนานก็ไม่ German. ที่เกยบทำงานเพยิงในคอนโดทนั่งอู่เป็นน้างนนู่นนั่งนอนงานาเทาจะทำอางต่อไป้ล้จพอเวลาเขามีเวลาจะไปลาไปไหนก็ไปได้สบายจะไปเม่อไหร่จะไปให้ไจเลยดีติดใจคนนีงต มันมีความสุขได้จากการทำของตนเอยอย่างที่ไม่ต้องเรียนอะไรแล้วก็ถ้าเสียนะบางทีเราจะมีใจในของก้อนความสียชนะของเราเยอะไากเลยเวาเราทำาวต้มเองบางทีการคนนี้ไม่อยู่ที่บ้านการแไม่ได้อยู่ทางะแล้วไม่อยู่ที่เทศที่วา ปฏิบัตแล้วได้รับการพัฒนามาต่อเ่ากั่เราไมมีการปิเดน้อมทำด้านทำโลกอรแต่เ้าเขายังอาจจะไม่พร้อมที่จะแบ่งกันยังไม่ถูกรอมพอแล้ก็บางคนก็ไม่่อพอต่อเน่ เมื่สอสองวัก่อนก็มีนักสุงศิลป์ศิลป์นักวยาไมาทวีดีโอมาสัมภาษณ์ที่กันอยู่ในลาและเราจะขอให้เขาทเรื่องเขาทําสิว่าความเป็นธรรมมาให้รา จ, จะมารับฟีแล้วจากคนที่สมากันนั่นที่สัภาษณ์มีสารสิทิ ก็เขา้อออกค่เพื uh, uh ่อทางพัน uh, ธ mm ุยาต้องเพื huh. so, <mang> ่อางต่างประเทศที่ต้ออยู่ในเมืองไทยก็เขามีทางยาคนเป็นคนไทยเยอะก็มาทำธุรกิจวาเยอะบาเทีอยจะให้แพทย์มือเขาให้แต่ว่าทำไมรรยาเขาถึงมาทำธุราิจศสนาทุก่างเขาทำอะไรถ้าเรามาสัมภาษณ์ที่ตรงนี้ถามวัาแบบที่ตื่นตื่นแล้วน็อ๋มันไม่เป็นไร มีที่เป็นต่ำๆเล away. แต่ตอนเชาก็มาขายตอนเปชิมบายนเวลาแล้วตอที่สมทีามนี่ยดเริแล้วก็ทําบปเอ็นเนีกยงเวเป็นภาษาที่เอร์จี้ที่ออกคลิปสองหลักคลิปนี้คจริงก็มีอะรการชิด้วย เราก็เลยบอกว่าก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะทำเป็นคนมสักกล่องหนึ่งจะเป็น้ตจากคนที่เป็นราที่าเเ่ปนอยตเขาก็ถาอย่างนะขอนี่เรื่องขอานะรบาวาอไรเไรออไอะอะอะรอระรระะรระอรอ ไม่เลยวัดจขนาดจะเข้าเยอะมากเลยยังยังคนแทบใส่จริงจริงมันมีทั้หมด6คนที่เราผู้ที่มาดูเา ก็ต่งต้ให้ี่านยูต้นไนโพธิ์ต้นยูตนโพธิ์มนยูมาต้นโพธิ์ไม่คิดติดาต้องมีงานมงคลแ่สิบจังหวัดนะครับพระยาผมไม่รู้่าพระอามาให้รู้ตากันเขาจะรับไปแต่เมื่อกี้าขารับปากะหญ่จับจังโลกเขกแล้วจับครับครับครับแล้วยครับแลยืน ในเวลาอาจจะอาจจะส่งขายก็ได้คาถาเนี่ยเขมีในในในในเว็บไซต์เราก็มีด้ก่อนแลงก็ที่สาษาจีนคำว่าคายาเนี่ยจะเป็นยคาาเนะีนะ่ยนจะมีคำว่าเดือ พยงยานเลยแต่จะมีแต่ที่เัพยายามเลยถ้าไม่ทราบาหนก็เขาเขาบอกทั้มาดูไลนตนี่ตางน่ตามว่าเราคิ้ค wow ิดเขาผังดีได้หรครับต้องลองไปเช็กดูว่าอาจจะติดต่อทางเมืองก็ได้ เราไม่ได้่่นียตกดะมดีดีกับเราแน่นอนนะตอจะสมกไเลย่เราพยาามับเาต่อนานไก็ต้องน่อวนที่จังที่สั่งหัวใจดีถ้าไมาพยยากคจินี้ให้ได้ยิ่งดีกว่า จตเราจะได้ดำเนินต่อไปได้สัติสุง่ไปก็ไม่ได้ไเขาไม่เดือดร้อนนกคนที่ไฟมันที่เดือดร้อนคือเขาอยู่นอกคน่ที่อย่างใจใจไม่ได้แต่ว่าสาใจให้ดำเนนป็นสัพิไม่ด้ไม่สามารถดเนินชีวิตให้เป็นไให้เกิดประโยชน์ได้ขับมัวมอยู่กับความทุกไปไม่เกิดประไยน์เลยอะไรที่เกประชนที่เรเพื่มาตัดประโคนที่เราเป็นข ท่านก็เข้าใจท่านก็มนทวาหลงไม่เห็นว่าคลาวต่อย้อยต้องกตเป็นรมาวก็อยู่นา้ถึงเวลาที่จะต้องไปก็เยมอย่างนี้ตงา เราคือเรามีความปรารถนาอยากให้เ้าแบบสมุนจะไปก็อยากให้ไปสบายอย่างนี้ไม่ทรมานคือไม่ต้อไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นคือว่าไม่้องรยัดเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะทรมานก็เรื่องของเขาเขาจะไปอย่างสบายก็เรื่องของเขาแต่ทีไม่ใช่เรื่องของเขาเพามันเป็นเรือของเขาทำมรอไเลย เราจะตายอย่างสุดก็ได้ตายอย่างทุกข์ก็ได้ถ้าเขาบำเพ็ญาเขาจะตายอย่างสุถ้าเขาไม่บำเพ็ญเราเนี่ยเกื่อนวิถีของทางเมื่บเพ็ญแลี่ยจะปรากฏในตอนตายในชีวิตนันทีไเป็นคนของยาหรือเปล่าก็่นั้นก็ถ้าคนบำเพแล้วก็มานจะหายยาอย่างถ้าปฏิบนีิแล้วจะไม่กล้าโรงพยาบาลแต่เราคิดเ้าตอนออจบไปเพราะว่าเขาเขาไม่ไม่ขึ้นตนเองก็ไม่ขึ่งธรรมะ เพยาครับเพิ่มสิ่่างไปมากแล้วก็ถมผลมาในบ้านเาไม่ต้องทีญาติจะป่วยเลยะก็จะมีพี่น้องหลายคนทำงานอยากจะให้เข้าโรงพาบาคนที่บอกไม่ต้องหไม่จะให้ทำื่นคดี้เนีย่เงี้ยกะคจะเขไปเข้าไก่ชิ้นขุดืปาหรือ้าวข้าหรือเป่ารอเกบอะไรรเปอเป็นอปถ้าสมมติล้วไม่ไปไปบังคับกันก็ไม่เป็น เรสนอไปางขงก็เป็นการข้าวใส่จำบอกจบอกว่าอันนี้ไม่ส า, า, า, า, ายทางระหายน้ำนใต่อให้ไปอตามปกเก็บเก็บวอะไรไหมตัวตัวเขาเป็นเป็นเป็นคนตัดทิ้ใจนามันมา <ๆ S 1> ตั้งเลยนะย่างเามานีย้ไปไปทำแบาร <ๆ S 1> ์ทมานี่ยงสังเด่นก่อเราก็ไม่ทำเปข้าวใสแล้วก็ถามยาเ เราไปรักษาที่ไหนตอนรื <ainsi> ่องรักษาที่เมืองเติมาักษามาเขาบอกว่าต้องไปรักษาที่ศูนย์แล้วเรก็ไปดูจากไหนที่ศูนย์ว่าเราก็ปรับให้ถ้าปรับให้เราเป็นประจักษ์จิตใจที่อยู่เขาเขาจะทำเป็นเพงแค่เพื่สนับสนุนาไม่ได้ต้เขานมนียังไม่เคยไปเยี่ยมเขาเลยท่าาไเยมเพื่อั้งเราไปล้วก็คงจะเยี่ยมไปสักีก็จะให้กำนังใจ เขาตายก็ทำนะตายมันก็ป่เหมือนกันือทังคือทางโัท์มนก็ป่เหมือนกันในจำเนอยางที่เคยแล้วให้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ให้เขาก็โตก็หวาดะแวงไปแต่ก็ไม่ได้เท่เลยมาต็มโต้ก็หวระก็ให้หอาทำอะไก็ไม่ไดแต่เขาก็เขาก็มีใจฆ้าตอนที่ไปเขาเาอย่างี้ต้องตรจรจดูว่ามันมนมต ออแร้วก็ฝษ้วขอว่าไม่ติดสายเพื่อนทอยู่ไม่ได้ต้องทำาไรทาันับนจะไหนๆจะารอย่าง้วตรงวัาทำเลยแลวบอกไม่ไจะติดสากับญาตกับลูกกับใครก็ไ้เหรอกเพียงแล้วมามาเ่อจะมาทำอเไรติดติดนะติดติดแล้วสสเวลาทำออกมาจะเราไม่ติดติเลย ไม่รู้สึกเกลียบใรู่ so ้สอะไรเลยไมอเลีตองเรานะไม่ต้องรักอย่กับเที่อยู่เพื่อยู่รอให้เรอเนี้ยกับรอ้องว่าจะอเ่ก็เป็นใบตายการมีความตายขอังทำได้ก็ทําแไ่ไม่ยอมใ้เวลาที่เราอยู่บ้างให้อยู่ับไม่ยอมใชเวลาที่มันก็ไปมันไไปมันนี้มันก็ไปไปหน้าเลยอยู่ มันจะต่อไปได้ถ้าเป็นติมก็ต้องมันก็ต้องไปได้มันก็นองเห็นยกสุดท้ายอย่างนี้แล น, น, นีเราเราเราตอที่จอเจอยกสุดท้ายอย่างนีน้มันก็ไม่เห็นเดือเยทำได้ทำไปขอการรักษาของสายลวครเองขึ้ น, น, น, นอยู่ที่พลงังจิตแลตามพอใจของสงงายละครอย่างพระปฏิบาาัติโดยฉพาะหาจารย์ในตั้ง ไั่อยากจะเข้าไปยุ่งกับหมอทำหีทนอมระดับหนึ่งเาก็มับ้ต่ถ้ามันไประดับหนึ่งท้านอาจจะผิดใจเราไม่ได้อดนนขอขอขอขอให้เป็นการทามทาควา ง, งที่ดีนพิจานานแล้วสิตใจท่าไม่มีอะไรกันมันยาก็ไม่เกี่ยวแล้วผิวยท่ า, ก, า, าก็ไม่ได้อะไรเท็าไ่ที่จ ต, ต้องทางานงานชึ่ง ต้องยัาากขาตัดทีมากขึ้นวย้กถานทุกวันเลยไม่ใช่วันละฝ น, นคนต้องไหล้วาย่นจะตั้งจิตนฐคนะทท่านท่านได้รัวนี้ถ้าได้แบบนี้ของเราไม่ต้องตาย ไม่ต้องเจ็บได้ไม่ต้องโศนไม่ต้อก่บางคนถามว่าตั้งจิตเขาอยา ก, ก <c oughs> ตายเลยตเลยมันคงจะไดได้แหละแต่มันดีตงที่ว่ามีการปฏิัน้าดีแต่เราต้องมาต้องการการปฏิัหนาดีให้มันเป็นการลครที่ดีให้คนที่เขาอยู่ที่จัดค่ายได้ผลมีความสุขาจมีความเลินไม่ช เ, เอาการปฏิัหนาดีไปทาให้เขาทุกข์มากทุกข์กด้วยการไปบังคับวตารดูบบ การทะลาะต่อหน้าเขาเป็นหนึ่งอย่าจะให้ทำอย่างนั้นคนหนึ่งไม่เข้ทำอย่างน้วุ่นวายไปทั้งบ้านเราถ้เราเขเป็นหลักเลเาเป็นคนเาเป็นโจทไม่ใช่รเป็นโจทยเนีเป็นจทยก็เป็นผู้สนใจเขอจะเอาเวไชีวิตเรามีรที่ที่จะสามารถตอบสนองคามต้องการขอนแรกถ้าเราเห็นว่ามันผิดัไม่ผิดเราก็ทำกัน แต่ถ้าก็อยากจะฆ่าตัวตายเนียให้ชื่อนไหลเพื่ไม่ถึงเขาบอกไม่ทํองไปฆ่าหลับยันต์ตายเลยถ้าเขาบอกมาพมาในเวลาอารณามันมาเป็นธรรมะก็วทุกบนี้จะมีอาบุกเกิดถ้ามีความคิกข์ก็ไม่เกิดธัรมาถ้าเอาความทุกข์นี้มาตัจมาก็อยากเกิดกันหาทาไม่อยากเกิดไม่อยากเกิยความไม่อยาก ไม่อยากตายวิพามษอยากตายวิ่เป็นปัญหาทั้งนี้ถ้าเราทับได้ลุกมันก็จะหลับไปนามันเอาบบควาความปรารถนาดีใันเกิดประโยชน์ถ้าเราม่ได้ปารถานาก็เราไปดูเดกขาไปก็รักษาไปไปไปทำได้ทำดีก็ท แต่เราไม่ต้องไปคิดเรอย่าไปคิดว่าเราไม่มีคาใกรรมอยู่ไม่เกี่วถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราถ้าเราไม่มรงดูใจเราด้่ยไม่ถ้าเราก็จิตไม่ได้ไม่ไ้หรอกเป็นทุกไม่สามารถดาเนินชีวิตเป็นปกติได้นี่เท่ากับเราพยเราเองเราไม่สวาเราไม่ไม่ท ถ้าตลาดจรแล้วเราตสามารถทำดเนินจิกตการเป็นปกติอย่างทุกวทคืเราะมีหน้าเีแล้วก็ทำเวลาว่างเขาไปดูื่อให้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องข้าดการตลาดลาแล้วก็ทาหน้าที่นั้นไปันก็เป็นการเปล่ยนเสื้อผ้าทั้งหัเนีเส้อผ้ามีเก่าแล้วก็จะได้เสื้อผ้ า, หาใหม่เขาก็ปเสื้อ้า เก่ามันขายแล้วแล้วน่ากายคนแกจะตายแล้วมันมันมีมันันประโยชน์ให้ได้ด้างมีต่จะท่านตออยู่เร <pack> <igi> ื่อยๆถ้าการถ้ามนเก่า่็เราคอมาปักมาคอยเยียดอยู่เนี่ยหรือว่าเย็ดด้วยการทำร่างต้ขานะเราต้องเย็ดอยู่เือจือตัวใหม่มาใส่ให้ดีกว่าเพ่้าวไม่หมดลายของหมดลายมันขายกันมาจางเดีย ถ้าถ้าปิดใจทำดีทาดีต่ไม่รามันก็จะได้ของที่ดีกั่าแต่ถ้าไม่ได้ทำดีมันก็มันจะไม่ได้ไม่มีใครทำาน้ใครได้เขาต้องทำตัวกับใจกับอารมณ์ขอัเาปโยชน์เนือประยเงินของมันเป็นเรื่อนบุญเงื่อนคุณเงื่อนบ่เงื่อนตามเงื่อนะไรเขาจะได้ทำใจเราไม่ได้ถ้า้ขงทาได้ตอนนี้พวเราไปถึงที่พามาอยูนะ ผลงานตั้ที่เกิดต่วตัปงใจงาต้องหมดทุกมายานะ่างลำลำบ า, ากที่ไหนท่เกิดมาเกิดเขาร้กยต่นอน้อกครับถ้าเก็้องหาตัวเองมาสักวันเราก็จะเกิดอะอย่างนั้นเกิดอะไรกได้หลับไปไทีที่ทห้าเราไปงานเกโพษได้ให้ใ ห, ให้ให้อภัยในีิโก้เถ้าไปดูว่าคนคนนั้นหลับตาไปล้วก็จะไปอย่นต่อเรก็จ ะ, จะไปนอนในในโรงให้ห็นกัน เมื่อเราคิดอย่าันเราจะเกิดคากระเตี้องในวันในการทาความดีในการปล่อยวางมากกว่าทำงานเนาะที่เราจะทำงานอย่างสุดอย่างส่ายไม่ว่าจะเจ็บก็ได้สื่อมน้อยไม่ว่าจะํายน้อยถ้าเราทาได้เนาะเราก็รู้สึกอาจารย์ไปพูดว่าเวลาเราเถอะนะเดินขึ้นเนินเรานดอกไม้กันป็นว่าเส็่หมอย่างเเดินเข้าแถวเพื่อเข้าไป ีที่ตั้งอยู่เหมือนกันถ้าเหมือนใจเราถ้าแถาเราก็ถ้าแถวก็คืออย่างอ่นถ้าเราาไม่เหมือนพวกอัวที่้จะเอาไปเชื่อมนอเรากรวังเวลาแค่นั้นเองแต่เราไม่คิดถึงดังว่าอะที่เราเลี้ยงเอพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ถึงมนก็สายิทำอรไม่ได้ได้นในขนาดนี้ทำอะไรไม่้ ก็ยังมีเวลาในการเรียนู้้ความรักให้เกิดขึ้ก็เป็นเกาะขุมความจิตใจให้จิตใจทำงาได้ไม่หวานไม่เดืยดร้อนไม่รุงแรกับความเป็ี่นความตายของใครก็ตามของเราหรือของผู้อื่นก็จะได้จิตทุกข์เลยแต่ไมีไ้นะครับว่าเฉไม่ได้นะครับว่าเป็นคนไม่มีจิตไม่มีใจมีความเมตตาเป็นเลี่ยวเพื่อเพื่อนไมได้มีความปรนนาเป็นเกี่ยวเพืเพื่อนไมได้ ไม่ยไอยู่ในฐานะ่ใครลน่าขคุณทีเขาได้ไม่ได้ทำโดยสรไม่ได้ทำโดยเฉยแต่พายามทำให้ให้มากที่สุดในขะที่คนในชีวิตเราทความดีให้กับคนที่เราห้ากที่สุดอาจาก็ตายจะลาด้วว่ม้อวานเม่อวานว่าเฮ้ยเยงคนจะแม่งกระดัางไปเลย เลาตายไมยออย่ร้อ่หรือ ว, ว่าไม่ตกร้องแต่ทำไมมันได้ก็อยู่เลยเวลาก็อยู่ก็ทํานก็เสื่อมแต่จะทำงานก็ทำงานแต่ต้องมีมามทางจบอยากให้มอว่าทํงานตามใกันได้อย่างเดียวแต่ถ้าปกติมันท่าที่ขึ้น่าที่ตกอขึ้นอย่างที่เกิดมันตาย ม, มานน่าไม่เที่ยง ยีไม่ดีจะมากกว่าวัน <c> ว <oughs> <c oughs> ันเวลาที Have ่ข <and posso S 2> ้าทิ้งแล้วกาทิ้ตก็เช่าเวลาเงินมากก่าน้แต่ก็จําเวลาที่เพอาเกิดืองมาแล้วมันย็ดมาติดนิดเดียวมาติดนิดเดิยก็ต่พอนะ ยาอาวาทวะอาตุลาการุตเดินติปะครางเอวันเอวะอิโตะนิลปะการังอิปะกะติปิดตังปิตังปิมานปิดตโนยะนิสตุสตสตุสตุสตุสตุสตุสตุสตุสตุสตุสตุสตุสตุสตุสต ภารตโยคาสักติโยวิ n าชตโาตารตโวตตวาโยสุขาโตะนัิสัจิจิาตาินยะาเรตมวะติอาโขาสัต เออดีแล้วเอดีแล้วไม่นเล่นเล่นตับดีปแล้วไม่ใช่ถ้ไม่แทนด้วยคือการเตี้ยมเตี้ยมแบบน่าทางม่ได้เตี้ยมแต่เตี้ยมไป เพราะว่าตผูมาต้องมิ่งหม่เพื่อการสืบพันวก้การให้ได้ผู้สอดัาตอมาเพอมานกรทีต้องการได้ถูกต้งผู้สอดจะอบรมามรู้ควอดไทัวเที่อ้ไม่ไมอาใจใเพราเราว่กมองตรงนี้ทุกไห่เขาเป็ยกนเขาเหกจะ้ราต้องกอนีที่ เ็าารายก็พยาที่จะให้ข no ึ in ้นสายเรามก็าจะให้เดจาเาก็้อขอให้าบงส่วนเราก็ไม่ต้องมีเวลาที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยต้องถ้าเวลาที่ไหนที่เจะได้ก็ไปไ้กแล้วก็เยวาถ้าการเาปฏิบัติแล้วจะขอแล้วว่า คนได้ม anyway ีเวลาให้กับเขาาอยู่ใกล้ถ้าเขาอยากจะไปคุยเลาเนี่ยเขาง่ายถ้าเราคุยเขาเราก็จะไม่มีเวลารับ่อได้ก็บีต้อแบ่งเวลาให้กับคนที่มาใกล้แต่คนที่มาใกล้ก็ขอขอคืนระยะชั่วค้งช่กัที่สบาในเวลาเนี่ยเราไม่อยากจะให้เดคนที่กติแต่บางทีถ้าไม่มีใครมาจะได้พักได้สบาบ้าง คนอยู่ใกล้ก็ใส่แล้วคนมยกล็มามันป็นกมันจะไม่มีอะไรได้ไม่ลไม่ไ้คิดไม่ได้ ไ, ไปไปคิดอะไรแบบคิดทบนถ้าคิ ด, คดคทบทวนเขาไปอย่างนี้เแต่เราก็มี ม, มีมีเถื่อข อ, อง น, น, น, น, นท า, อ า, าที่ต้องทำอยา่างน้คือถ้าการนำใหม่หมนั้นก็เป็นภาระที่เราต้องดูแลเขามากเลยนึ่งไปยื้ยืดเก็บหว่านเนีน่ยป็นเหตุที่ต้องคอยบอกเขาวาให้ทำอไรให้เขาช่วยตัวเองเพรว่า มเขาเชื่ลยแม่เราจะปล่อยเขากบฏไปแม่กบฏแม่กบฏกบฏกบักบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกมากบฏนบฏ่บฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบฏกบมกบฏกบฏกไฏกบ้าบฏกบเกบฏกบฏกบ่กบฏกบฏนบกกกกก เป็นระยะเวลาะยะเวลาค่อยๆต่อไปก็จะยาวๆค่อยๆแล้วต่อไปก็อาจจะอีไปตลอดเลยเพราะทอย่างเป็นขั้นตอนใช่ไหมครับคนยกตัวว่าเป็นการทางานทางใ้ประโยันเมันโครงเสร็จหมดแล้วคืเป็นเป็นเป็นข่านเป็นตอนของเป็นเหตุเป็นผลแต่ก็ดีในเวลาหลับพักก็ค่อยๆเราเรามีหลักการของเรา เขาเขาตัอะไรแล้วมันบันขักับลาแล้วก็เ่าจะอธ่บายให้เขาแล้วเราเสนอรถทางแล้วเขาอาจจะ็ใจกอรก็จะได้กว่าที่เร ดูแล้วก็ไม่เป็นอะไรแลก็ปวดเมื่อยแล้วเตรงนี้ปวดเื่อยตรงนี้ปวดเมื่อยนี้แล้ก็ยังขัดขัดเรื่องยากอย่แต่ก็ไม่มาขัดข้ากิจกรรมต่งที่เรากัน่าไปขังว่าะก็บว่าอี้ เ้ว <ane ep prend ere> ่างเป็นเราเท่าหร่เอว่างในกันทุกคนขอดูึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนน่งน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งนึงนึงนึงหหนึ่งหงหดหนึ่งนึ่ แต่หวลได้กตามไเรไม่เคลียบกับอะไรเพราะเราปล่อยวาง น, นะกตัวนี้ทีเ่เราหัวล้ลอมลไม่ออกเราะว่าเราไปยึติดในเรื่องแตกมากไปเกินไปไม่ยึไม่ออกห <c oughs> ัวล้อไม่ออถ้าปล่อยวางนะแล้วยังใส่บ่อยๆไม่มีวัน <c oughs> มีน้ําลงใสนดีไม่ตีนุ่ยยาง ทำไปไม่ได้เลยยากมากยากถ้าทำไปไม่ได้เหมือนใช้ไม่ใช่เงี้ก็เจอใชม่ถ่ายนี่มันยากทาใช้มมันก็ยากทำไม่ถึงไม่ถ่ายก็มันจะยากก็อยู่ดีวันนี้ เป็นอยิอหลวงยี่สิี่ถึงี่สิบห้ี่ต่ันน้ากัเเยลูกมเคยเลยปาเกร่วมกันให้นมั่ะมายของให้กับพระสาตจะเป็นที่รได้ก้คือเเวลา ก็จะคุยกัน้เรอกลับมารคือต่ไม่คเดี๋ยว ตั้ประโิดมาวันดนะถ้าหมดเอ่อติดติดจะมนั้คอยอย่ะ่หรยมหัไม่ไม่ััไม่เรยไใ่ิดลไม่มีคอยมขาว อายุมากเลยสถนะกายเนี watering, ่ยเเด็มีปีนั้นมีตะเกียะเกียแวมันเริ่นหมุนเ้ามน่ได้สบายนัได้นานพอสถานะร่างกายมันแก่เรื่อยๆประม็ณจะดีสบายทุท่านาให้คนในที่นั่งธรมชาก็จะเป็นกนมล่ออยู่กับพระองค์เอเขากลอทําะไรนม้เพราะเขาะอยู่ไม้ ท่านหนุ่มทนก็ดูดูคลองได้ก็พระหนุ่ตรงหนุตาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็เชื่องเช้าทำอะไรก็เนี่ยนั่งกันอยู่แล้วพอใคนั่งนั่งอยู่แล้วบางทีมันเคร่งมันจะมันจะกี้ตะกินกัดกัไม่ไปจับพูลูกจับกนไปผมก็เริ่มยังไงผมก็เริได้แล้วทั้งวนี้ ครั้งนั้นไม่ได้เป็นพี่สามนเนี่ข้างมือ้างมอต่างๆโดเดนแต่ก็คอยดูคอยั่งดูนี่นะแต่วันนี้ร่างงานอย่างกาอปก้าวาะกาล้าวกว่าจะขึ้นมาก็เกี่วกนพอจะพักดูชมโวงก็มีคนมาตาคนทุกมาทีนี่ทุกเรมาแล้วมตาเนี่ย อีก really well. <laughs> oh, ็อันนทางก็จมองเลยอันนี้ก็จะมีมีมาลอยทางนี้ตอนใจแร่ก็ติดแต่ไม่ติด ไม่ขึ้นหมดนลควก็หายไปปานไมหมดตอนนั้นเพราะว่าเราใช้เทปเป็นตัวดีดนะเพอ่ามันหมดแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็มาคบัไม่ไม่ไม่ต้องังลเหนว่าคุยกันล้มันมันมหมดตอ้นรู้สึเป็นไ้าารทุกการเป็นครัทก์ก็เราจะใช้ใช้เทปสายิก็คือแต่เราไม่ได้ฟีเวลาแต่าให้เทปมันดีจนหมดนวพอถึงเส้นเทปมานน้ำจัดม่องว่ต้องหยุดแล้วเราก็จะคบกัน ก็เป็นถึงเวลาพูดต่ดมนันก็ไไม่แล้วก็จไม่ต่ไม่กนัมันจอะไรอย่างเี้ือเือท่าจากาเวลาตัวเดี๋ยวจะเหลเนื่อเทมมากสนใจเสียดายเวาพูดจดเรื่อยๆเพือท่านเหมือนเหมือเน้นเทมเมือไหแล้วก็หยุดอย่งเงแล้วก็คุยอย่างเี้ พอนนกอยากจะลบตอนลบตไนเรื่องมันก็ไม่เรียบอไม่มีก็อย่างเงี้ยไม ไ, มไม่สำคัญอะ้รกกนอาเี้เ า, าเป็นช่วงหลังไม่ที่คนเอาเอาเครื่อง น, นี้มาเพื่าเพิ่มการสนุกข้า